แต่มาเรียสติดีกว่า้าแขนเพื่อนสาวไว้ยึดให้ยืนนิ่งอยู่กับที่โดยปากหลักคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเชษฐาผู้บัดนี้ยืนทรงตัวตรงเอื้อมือไป่วยไรเฟิรมของเขาขึ้นมาขึ้นหลังลืมเรื่องขาเจ็บลงชัว่วขณะแง่รายขยินบุญคําและเหล่าลานหัวเห็ดทั้งนั้นก็พุ่งปลาเข้าหาที่กำบังตามซอกขินและอยู่ในทิศทางที่จะเฝ้าจับสังเกตไปยังต้นเสียงการเคลื่อนไหวนั้นได้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 เมื่อเลนกล้องสองทางไปขนาด12บสคูณห้าสบของเขาหลาบไปพบอะไรชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏโผล่สูงขึ้นมาเหนือหมู่หินอันเรียงรายสลับซับซ้อนทางด้านตะวันออกสำหรับลาพินนั้นเขามองเห็นก่อนแล้วด้วยตาเปล่าถ่ากลางแสงสว่างสวัยของทิวาการภาพนั้นปรากฏอย่างแจ่มช้ชัดเจนที่สุดผิดไปจากภาพอันเคยเห็นอย่างคุมเครือลึกลับเหมือนเงาปีศาจ เช่นเมื่อใกล้ขั้ ห, หวานหวานเพราะความขมุ ข, ขมัวศีรษะอันมีลักษณะผสมกันระวางเฮือกประกรดแต่ขยายส่วนใหญ่ขึ้นไปกว่าขนาดของสัตว์เลื้อยคลานที่เคยเห็นกันอยู่ตามปกติไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนเท่าบัด น, นี้โผล่ธรรมุนยื่นสูงขึ้นมาลอยเดินอยู่เหนือยอดหินที่บดบังอยู่พร้อมกับสายไปมาอย่างเช่นชะถ้าปราศจากการเคลื่อนไหวขยับขยืขย่นชนิดนั้นระยะไปถึงป่านนั้น ย่อมจะแล p ั a t า o r m าเป็นก้อน ห, หินมันเองแต่ก้องกำลังขยายส2องเท่าของชายยันช่วยย่นระยะเข้ามาดูเราก็ว่ากโอสัตว์ยักษ์มันโผล่หางออกไปจากเบื้องหน้าของเขาแค่วาเดียวทำเอานายทหารตัวใหญ่พงหงาหลังแทบลัดตกจากก้อนหินด้วยความตกใจอารหันบอว่ามันคงไม่พ่นไฟออกมาจากปากได้ด้วยนะชยยันกระซิบแทบไม่มีเสียงผ่านลาคอ ระหว่างจ้องตะลึงแล้วสะกิดจอมพลาดค่อยๆส่งกล้องไปให้แพร่ใหญ่รับมาส่องดูอย่างใจเย็นเสียงแพรร้องกึกกล้องและเคลื่อนไหวตัวอย่างรุนแรงนั้นบัก น, นี้สงบลงชั่วขณะคงมีแต่เสียงคลางต่ำๆอยู่ในลำคอเป็นระยะๆะะมันคงกำลังกวาดมองหาศัตรูและพยายามใช้จมูกที่เชื่องช้าต่อการสัมผัสกิ่นของมันดมหาขณะเดียวกันก็เริ่มเคลื่อนตัวออกเดิน เลาะลัดร่างกายมาตามก้อนหินสูงสูงต่ตําๆร่างกายใหญ่ยักษ์โผล่โผล่หายหายอยู่ในระหว่างดงหินเหล่านั้นแรงตัวนั้นบินร่อนอยู่เบื้องสูงบนท้องฟ้าเนื้อศีรษะขึ้นไปเป็นเงาตามตัวอยู่ทุกขณะเห็นกันอย่างขนาดชัดตาในตอนกลางวันท่านกลางแสงดแดดแผดเปรี้ยงเช่นขนาะนี้ดูมันใหญ่โตหนะ้าสะพึงตัวยิ่งกว่าตอนกลางคืนถึงเท่าตัว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 เชิดขาผู้ยืนแขมกระสับกระส่ายคอยฟังข่าวอยู่กับน้องสาวและมาเรียร้องถามขึ้นมาอย่างร้อนใจชา ย, ยันก็ตะกนบอกลงมาว่าชักเลยเชิดขาไอเดโนเสาร์มาหายักษ์มันกําลังงุ่งงามกำหาเราตัวเดียวกับเมื่อคืนนั่นแหละมันเอาเราแนะ่มารียฮอปมันบีบข้อมือดารินแน่นฉันว่าแล้วบอกเขาแต่แรกเขาก็ไม่เชื่อหล่อนร้อง แล้วปล่อยเช็ดเท้าไว้ให้อยู่ในความระวังดูแลของน้องสาวตำนำพังตนเองกระโจนไต่ขึ้นไปบนยอดหินซึ่งชยันหมอบดูอยู่ก่อนแล้วเพื่อจะเห็นได้ถนัดด้วยตาเองตรงข้ามกับยอมพานซึ่งโดดกลับลงมาขอคำสั่งด้วยครับคุณชายจใจผมกะแงยสายสวนเขาสกัดมันดูพวกเราทั้งหมดจะหนีเข้าไปในดงหินทึบข้างหน้าเพื่อดูท่าทีมันก่อนสาหรับตรงนี้อยู่ไม่ได้แน่ครับ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 เชิดานนั้นแบบนี้เดินตัวปลิวพระวิเกตการฉกเฉินเข้ามาท่าไม่ลืมเรื่องอ่อนเพลียและปวดขาสมบทสิน้นมีชยันกับดารินคอยฉุดแขนขนับพากันตะเกียกตะกายไปมารียเท่านั้นที่รังทายภาวะผวังอยู่เคียงข้างเขาเสียงของไอ้มหายักษ์เดินลุยใกล้ก็มาเป็นลําดับไห้วันวิธีหนีน่ไม่ช่วยอะไรเราได้เลยนะแต่เดี๋ยวมันก็ตามทันเท่านั้นทำไมคุณกันเงาทายไม่บุกสวนก็ไปถึงตัว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 ไรเฟิลในมือถือชูขึ้นสูงพร้อมที่จะระเบิดกระสุนออกไปได้ทุกขณะส่วนแทวขวบวนเบื่อหน้าก็รีบรุดกันไปอย่างไม่คิดชีวิตทุกคนย่อมกระหนักดีว่าความรวดเร็วของการเคลื่อนที่เท่านั้นที่จะช่วยพ้นภัยได้เชื่้าเสียหลักคำมั่น่นาจะล้มอยู่หลายครั้งเพราะดีที่มีชั ย, ยันกะน้องสาวเป็นพี่เลี้ยงขนาบข้างอยู่ไม่ห่างจึงช่วยกันหิ้วปีกลากยู่กันไปสภาพของขบวนยานนี้ เปดนเรงความทุรักษ์ทุเลยิง่งปัญหาอื่นใดทั้งมวลแบบนี้ทุกคนดูเหมือนจะลืมซะหมดสิ้นคำหนึงแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือมหันตะไครที่คุกคามไลห่หลังมาทั้ง12ชีวิตกําลังแขวนอยู่บนปลายจมูกมัจจุราชอีกครั้งแรงไก่งวงตัวนั้นกลายเป็นเครื่องสังเกตของฝ่ายมนุษย์อย่างดีที่สุดในกรณีที่มันคอยบินร่อนตามการเคลื่อนไหวของไทแรนโนซอรัสลำบากอยู่ทุกระยะ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 ตนกระกูนเฮียโบราณตัวนั้นมุ่งหน้าตามกลิ่นมนุษย์ทั้ง12ชีวิตไ ล, ล่หลังมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าระบบคานาประสาทของมันเลอเต็มทนจึงทำให้ไม่สามารถจับกลิ่นได้แน่ชัดนักเลยทำให้มันเกิดความไม่แน่ใจและเชื่องชาขึ้นเพราะมัวแต่ดมคนควายอยู่และยานที่ทั้งขบวนรุดหน้านี้อยู่ในขณะ น, นี้เลี้ยมาครั้งใดก็เลยเห็นเงาสีสันให ญ, ญ่โตพุโผล่อ ย, อยู่ตามแนวป่าหินเบื่องหลังตลอดเวลา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 เป็นที่น้าครันพลึงสยดสยองยิ่งนักครั้นแล้วขณะที่วิ่งตามหลังขบวนไปในระหว่างทางเดินช่องหินแคบๆการใหญ่เรือเห็นมารีเอซึ่งเป็นบุคคลร้างท้ายวิ่งคู่มากับเขาตากข้าไปยึดก้อนหินริมทางก้อนหนึ่งแล้วหลบนิ่งอยู่เมเถอยออมาเขาตะโกน ล, ลั่นโบกมือเร่งให้พลานนี้แต่แม่สาวไม่ฟังเสียงกลับเอามือปัดลงเป็นสัญญาณให้เขาล่วงหน้าไปก่อน รพิงจึงวิ่ ง, งย้อนกลับมาไปชักไหลจะบ้าหรือเน้ออยาขฆ่าตัวตายได้ยังไงมาเรียสะบัดมือเขาออกโดยแรงแล้วผลักอกเซบังาออกไปรอยยิ้มแข่นๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากลักษณะของหล่อนยามนี้เป็นความเยือกเย็นอันน่าสะพึงตัวยิ่งราษฎรกร้องรอยของความหวันเกิงในภัใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตนเองทั้งสิน้นเยี่ยงคนที่หมดอะไรตายอยากต่อชีวิต ฆ่าตัวตายเพื่อคนอื่นๆมีโอกาสได้รอดชีวิตอยู่ต่อไปได้มันเป็นการสมควรไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่สักอย่างเดียวเช่นฉันน่ะหล่อนพูดเนิบเนกโดยไม่ได้สะดุ้งสะเทือนต่อเสียงคํารามและเสียงเดินชนปะทะก้อนหินครืนโครมที่ดังเข้ามาทุกขณะไม่เขาตะโกนแทนชุดเสียงอีกครั้งหนึง่งเมื่อความรู้สึกบอกกับตนเองว่า เมผมทองตาสีผักตบน่าจะก่อเรื่องยุ่งยากขึ้นซะแล้วในภาวะอันฉุกเฉินขีดสุดชนิดนี้นี่หล่อนบ้าหรือวิปริตอะไรไปซะแล้วหระกระมังเปี่ยมแมกกดดันทางจิตประสาทบางอย่างคิดบอบขึ้นมาให้ทําได้เช่นนั้นเลยแล้วพินก็ปากเข้ามาอีกครั้งเขาไม่มีเวลาที่จะต่อล้อต่อเถียงอะไรกันหล่อนอีกทั้งสิ้นในนาทีฉุกเฉินขีดสุดเช่นนี้นอกจากวิธีการอันดุรแรงอย่างเดียวเท่านั้นคือนอ็อกหล่นให้หมดสติ แล้วล่าก็โตไปด้วยเพื่อนหนีภัแต่แม่สาวเลือดฝรั่งเศสผสมเยอรอมันผู้ฉุนเสียสามีไปแล้วดูเหมือนจะรู้ทันและก่อนที่จอรพรานจะเข้าถึงตัวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดลงไปลำกล้องไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าในมือของหลอนก็พิ่มจึกเข้ามาที่ลิ้นปีของเขาดันให้พระหนะถอยหลังกลับออกไปไปซะไทวันดวงตาคู่นั้นลุกวาว ขอคำสั่งเฉียบขาดดุดดันมีอีกหลายชีวิตที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่คงไม่ใช่ฉันหรอกปล่อยฉันไว้ที่นี่แหละถ้าฉันทำได้สำเตร็จตามที่หวังไว้พวกเราทั้งหมดจะปลอดภัยและฉันก็ตามไปทันเองแต่ถ้าฉันทำไมส่สำเร็จก็แฝงเวร พินใครวันกายสั่นเทิมเขาเดือดดานหลอนขีดสุดขยับจะปัดปากกระบอกไรเฟิลออกไปพ้นแนวจ้องนั้นแต่มาเรียถอยหลังห่างออกไปไม่ให้มือเข้าคว้าได้ถึงลํากล้องปากกระบอกยังจ้องตรงระดับกลางทรวงอกเขาเช่นนั้นลักษณะของหลอนเอาจริงสังเกตได้จากแววตาคู่นั้นอย่านาะพินฉันยิงคุณจริงๆด้วยถ้าคุณบงังคับให้ฉันเปลี่ยนความตั้งใจมีเหตุผลอะไรที่คุณจะทําอย่างเสียสติ ไม่มีเหตุผลชนนี้เรารับมือมันที่นี่ไม่ได้นะเมมีแต่ทางตายอย่างเดียวทําไมถึงดุดึงอย่างนี้อะคุณน่ะคุณจะทําให้พวกเราต้องหมดยุ่งยากได้ยินไหมได้ยินสิทําไมจะไม่ได้ยินคุณตะโกนต่อขู่ฉันดังเสียงกว่าเสียงคํารามของไอ้ไทลันตัวนั้นเสอีกมาเรียบแผลเสียงแหลมกรี๊ดเขาใส่เขาบ้างน้ําตาคลอรู้ไหมสับที่อมัหิตเลือดเย็นหน้ากลัวน่าชิงชังที่สุด ไม่เจ้าไม่ใช่เจ้าไดโนเสาร์ตัวที่กำลังจะมาเอาชีวิตเราอยู่นั่นหรอกแต่แท้ที่จริงน่ะคือยูมิสเตอร์พินไทร์วันจะต้องมายืนเป็นห่วงฉันอยู่ทำไมไปสิเอาตัวรอดไปมีคนที่มีค่ากว่าฉันกำลังรอคุณอยู่ไงคาเสียงตะเบงแทบไม่เป็นภาษาอันทะลักออกมาจากอารมณ์ลึกลัตร้อนแรงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมาริอาฮอมันระวิ่งออกจากที่ เลาะลักไปตามแนวโขดหินนั้นอย่างรวดเร็วมุ่งสวนทางกับไอ้มหายักษ์ที่กำลังบุกตะลุยเข้ามาอย่างไม่ยังซึ่งบัดนี้มองเห็นกันดำไรห่างเพียงไม่เกินร้อยเมตรโดยมีป่าหินขวางกั้นอยู่พรานใหญ่ตะลึงอยู่วิตาเดียวจะโกรดแค้นเดือดดานแม่ผิวเผือกจอมยุ่งซักเพียงใดเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทอดทิ้งหล่นได้อีกใจหนึ่งก็นึกอยากจะปล่อยให้ตายซะลเรือรอดไป หลอนไม่น่าจะมาก่อเรื่องขึ้นในนาทีวิกฤตเช่นนี้เลยบางทีบางทีมันอาจเกิดขึ้นจากอาการของโรคจิตเกี่ยวกับเพศชนิดนึงของหล่อนก็ได้เซโดแมโซด i ซึซึ่งอาการนั้นสัมเดงออกเมื่อความปรารถนาไม่สำเร็จที่ผลดังใจหล่อนต้องการเขาอาจเป็นความต้องการเพียงชั่วครู่ยามเท่านั้นเมื่อไม่ได้ดังใจภายหลังจากเพียงพยายามมานานหล่อนก็คลั่งคลั่งจนถึงขั้นที่สามารถจะทาอะไรบ้ า, บา และไร้เหตุผลออกมาได้ชนิดที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าใจเกิดมาเป็นระพินไครวันมันช่างทุกยากลำบากลำบนไปเสียสารพัดอย่างแม้แต่ในด้านของหัวใจเช่นนี้เชีวหรือมโนธรมและสำนึกในหน้าที่ของลูกผู้ชายเท่านั้นที่บังคับให้เขาต้องโกรธไล่ตามหลอนไปแม้จะรู้ว่า น, นั่นคือการเข้าไปสู่ที่คับขันขีดสุดแมรียยึดได้หินอีกก้อน พร้อมกับประทับไรเฟิลแนบไล่ตาจ้องไปยังตาหินเบื้องหน้าอันมีเสียงอึ้งโอนเคลื่อนไหวเข้ามานั้นไม่สนใจแม้จะรู้ว่าเขาวิ่งเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆแต่ปากปากบอกมาว่าอย่าทําอะไรชนระพินถึงคุณจะทุบฉันจนสลบเพื่อจะล่าฉันไปจากที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรซะละมันสายเกินไปไอ้ยักษ์นั่นอยู่ใกล้เราแค่นี้เองคุณเอาฉนันหนีไปด้วยไม่พน้นหรอกถูกแล้ว มันเป็นจริงตามที่หล่อนว่าไทรนโนซอรัสมห า, หาการตัวนั้นบัดนี้ตะลุยยอดหินงุ่ม ง, ง่ามอยู่หลังหมูหินใหญ่เบื้องหน้า น, นั่นเองศีรษะตอนบนของมันพผล่โผๆ่อยู่ในระหว่างยอดอันสูงสูงต่ําๆของหินเหล่านั้นกําลังหาทางจะอ้อมลีเข้าสู่เส้นทางซึ่งร่างกายอันใหญ่โตของมันจะผ่านมาได้อย่างสะดุกและแน่ลักถ้ามันหลุดพ้นจากแนวอันเปรียบสเสมือนรั้วขวางกั้นนั่นเมื่อไร เพียงแต่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็จะถึงก้อนหินลูกที่เขาและหลอนหลบอยู่ด้วยกันไอ้ยักษ์สูดกลิ่นไล่หลังมนุษย์กลุ่มนี้มาราวกับหมาล่าเนื้อโชคดีอยู่บ้างที่มีเครื่องกีดขวางไม่ให้มันบุกตามได้โดยสะดุกพอจะเปิดโอกาสให้กระบวนทั้งหมดซึ่งรุดหนีล่วงหน้าไปก่อนล่วงพนเข้าไปถึงบริเวณโดงหินขนาดใหญ่อันแน่นทึบซึ่งเป็นชยภูมิที่ปลอดภัยขึ้น หากจะเกิดการตั้งรับกันที่นั่นแต่สองชีวิตอันเป็นหน่วยรังทายขบวนทั้งหมดในขณะนี้กำลังอยู่ในห่วงอันตรายขีดสุดหนึ่งคือหนุ่มไทยผู้มีอาชีพพรานนำทางอีกหนึ่งคือสาวเลือดอยุโรปพัญญาของอดีตนายจ้างผู้เคยมีความหลังกินใจกันอยู่แม่ตัวดีตบแม่ตัวดีก็สักเพียงในยามนี้ก็เห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรเสแล้วระพินไัยวัน ปร่งตกสายตาของเขาจ้องระวังไปในทิศทางเบื้องหน้าตลอดจนกำหนดหาทางหนีทีไล่ในขั้นจวนตัวซึ่งดูจะมืดมนไปหมดบริเวณนี้ไม่มีก้อนหินใหญ่แข็งแรงหรือมุมอันที่จะหลีกหลบซ่อนตัวอยู่ได้โดยปลอดภัยเลยหากไอ้ยักษ์บุกเข้ามาถึงคุณมีแผนอะไรนี่เมเจตนาจะลากผมเข้ามาตายกับคุณด้วยไง ฉันไม่ได้บอกให้คุณหนีไปหรอกหรอด้วยฉันจูมือนคุณมาที่นี่เอาะาลมีแผนโม่ๆยังไงล้มไอ้ยักษ์มหันล้มไอ้มหายักษ์นั่นลงด้วยไม้จึมฟันของคุณกระบอกนี้ย่างนั้นเหรอถ้าไมคุณไม่คิดไอ้ที่มันโง่น้อยกว่าฉันบ้างแล้วว่าตาซ้ายมันโบดไปแล้วถ้าตาขวามันโบดอีกข้างนึงโอกาสที่เราจะทําลายมันก็จะง่ายขึ้นอีกไม่ถึงก็ต้องวิ่งกันหัวสุกหัวซุนอย่างนี้ ความรักความเป็นห่วงที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งทำให้คนเลือดข้นอย่างรพินไพรวันกลายเป็นคนที่ขาดตาขาวแล้วเห็นบตัโตไปซะแล้วใช่สิชีวิตของคุณตอนนี้มีค่าขึ้นมาซะแล้วนี่หล่นพูดเรียบๆก็จริงแต่ความหมายด่าเขาอย่างแสบใส้เผ็ดร้อนที่สุดแล้วหัวเราะในลำคอเอานิ้วชี้แตะน้าลายในปากอย่างช่มช้าเยือกเย็น เอื้อมไปไป้ายแตะนิ้วนั้นลงกับยอดศูนย์หน้าของไรเฟิลในมือหมายมั่นแล้วจ้องประทับคอยทีอยู่ด้วยจิตใจที่แน่วนิ่ที่สุดรพินท์ไทยวันยืนคอแข็งเขาโกรธหลอนไม่ลงสละในภาวะเช่นนี้บางทีบางทีมาริอาฮอฟมัน่นอาจพูดถูกก็ได้สีสะส่วนตรงของไอ้มาหายักษ์โผล่บบขึ้นมาให้เห็นชั่วเซียวของอึดใจ คล้ายๆมันจะชะเง๊กชูข้อมองมาเรียรีตาเล็งตามแนวศูนย์แต่หล่อนก็ยังไม่สามารถลั่นไกออกไปได้ดันใจไหมเพราะศีสันนั้นโผล่มาในมุมตรงไม่สามารถจะสังเกตเบ้าตาได้นอกจากส่วนด้านหน้าของมันและรูจมูกที่เห็นชัดและเสี้ยวของอึดใจนั่นเองที่แานใหญ่จําเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะสายไปกว่านี้ มารียาอาจโมแต่เล็งหมายเฉพาะดวงตาและรอคอยโอกาสอยู่แต่คนนำสกุลไทยวันซัดโอมเขาให้แล้วดังสนั่นลั่นโลกเมื่อจุดสี่ห้าแปดผ่านพาแลวโดนกไปเป้าหมายอันยิงออกไปอย่างรวดเร็วที่สุดคือช่องจมูกในแนวตรงที่แลเห็นอยู่มันจะกินต่ำลงริมฝีปากบนหรือจะหลุดพลักเข้ารูจมูกด้านซ้ายหรือขวาเขาไม่คานึงถึงขอเพียงให้กระสุนนัดนั้น สร้างความเจ็บปวดและย่อยยับให้มันได้มากที่สุดเท่านั้นเพื่อหยุดยัง้งเบนหัวออกไปซะไม่ใช่รุกไล่ติดตามเขามายัางไม่สะทกสะทานหวั่นเกรงใดๆเช่นขณะ น, นี้โดยตำแหน่งอันเป็นจุดอ่อนของร่างกายมหายักษ์นั้นเห็นชัดกับตาพร้อมกับเสียงกำปันนาดของกระสุนท่งหัวอันมาหือมาห ง, งายผงาสะบัดเรือไปราวกับถูกมืออันทรงพลังตบสะเก็ดขาวของกระดูกฟันกระจายวอน แล้วมันก็หดหายลงไปจากการโผล่เชื้อเมก่อนที่จะมีเสียงแผดรองอย่างเจ็บปวดและการดิ้นฟัดฟาตัวเศษหินและผงคลีปลูคลุ่งเป็นม่านควันตลบอุ้งมือแข็งกล้าวตะปบมาที่ไหล่ของมาเรียพวกมึงมองไปด้วยแรงอัดของกระสุนระเบิดเหนือศีรษะกระชากอนาพยุขึ้นจากท่าที่นั่งคุกเขา่าหลบล้มใต้ลมตามมานั่นคือเสียงตะโกนบอกความ ในภาวะเช่นนี้พิสูจน์ได้เด่นชัดที่สุดว่ามารีฮอบมัน่นคล่องกว่ามอมแร่ชวงหญิงดารินวราริดดูเหมือนจะไม่ต้องพูดหรืออธิบายซักซ้อมอะไรกันมากลวมทั้งเขาทุกฝีก้าวย่างเพราะประสบการณ์ความชำนาญที่มีอยู่เป็นทุนเดิมทั้งสองออกแรนเต็มฝีเท้าหลบเลาะลัดไปตามแนวหินอันสลับซับซ้อนในระวางเสียงดิ้นและเสียงร้องกึกก้องตาโลกถล่มทลายของกยักษ์ไทรัน กระสุนนัดปฐมฤกษ์ของระพินแม้จะไม่เฉียบขาดและมีอนุภาพพอที่จะสังหารมันได้ก็จริงแต่ก็เป็นการปีูสวนจมูกอันเป็นจุดอ่อนสร้างความเจ็บปวดรวดราวเหลือที่จะกล่าวมันควงหมุนปีแปลงเป็นวงกลมอึดใจใหญ่ก่อนที่จะตั้งตัวติดและแผลงฤทธิ์แบบยักษ์ีรันมุนแผ่นดินตามธรรมชาตินิสัยเดิมของมันทั้งขู่คำรามทั้งกวาดถาง ก, าดกางัดแกง เขาเหยียบย่ำตะกายหินยังพรวดพลาดเสียงครีมโคร ม, มอึงคนึงไปหมดแต่กระนั้นมันก็ยังมองไม่เห็นสัตว์ตรงผู้ส่งความเจ็บปวดมาให้เพราะย้ายจากที่เดิมสะสละออมออกทางด้านซ้ายเพื่อหาโอกาสลงใต้ทางลมและเล่นเอาเธอเจ้าล่ในระหว่างการปล่อยกระสุนนัดสำคัญเข้าจุดอ่อนกับการที่มันจะหันมาเห็นเขากอดสุดแต่ว่าชะตากรรมจะเป็นของฝ่ายใด ส่วนของร่างกายปานขุนเขานั้นบางนิพลมาให้ปรากฏเห็นชัดตาแล้วเว้นไว้แต่ส่วนศีรษะเท่านั้นทั้งราพินและมารีย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่าการส่งลูกเตืนเข้าไปยังบริเวณอื่นใดในร่างกายของมันซึ่งไม่ใช่จุดอ่อนย่อมประสะจักผลรลังแต่จะเสียลูกเตือนเปล่าและเตือนนี่มันรู้ตำแหน่งจึงต่างวิ่งซิกแซกหลบซ่อนไปตามมุมก้อนหินขม่นหมายรอโอกาสเป้าสําคัญอย่างเดียว โดยอาศัยฉากก้อนหินระเกรกะเหล่านั้นเป็นเครื่องพลางตากำบังตัวกิริยาอาการองอโกรธแทนเกลียวกราดของเจ้าเฮียโบราณยามนี้สุดที่คนผู้ร่วมชะตากรรมทั้งสองจ้าพันนาได้ต่างรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าถ้าแม้พลาดเพียงนิดเดียวชีวิตเป็นจบสิน้นทันทีทั้งสองลืมเรื่องอื่นใดหมดสิน้นนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นคือการเล่นซ่อนหาแบบเสือตบตูดกับมันโดวยวางชีวิตไว้ เป็นเดิมพันและแม้จะร่วมสถานการณ์อยู่ใกล้เคียงกันเช่นยามนี้ต่างคนต่างก็เผชิญหน้ากับมหันตภัยโดยอิสระสุดตะไวพริบความแคล้วคล่องของแต่ละคนไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงกังวลหรือคอยเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองกันให้เสียเวลาทั้งสิน้นกระปิลเล่นดาดแยกเข้าเส้นทางด้านด้านขวามือมาเรียก็จะพุ่งเข้ายึดที่กำบังอัพรางตัวทางด้านทายผูลรอบมองกันคนละทาง และช่วงอึใจต่อมาก็วิ่งกมาสู่เส้นทางเดียวกันได้อีกอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวทันกันหลอกเล่าหายจังหวะยิงสกัดอยู่เช่นนั้นพับพวก ท, ที่ล่วงหน้าไปก่อนแบบนี้จะไปกันได้ถึงไหนและอยู่ในภาวะเช่นไรไม่มีโอกาสจะทราบได้สองคนรังท้ายเท่านั้นที่ถูกขีดแวดวงอยู่ในเส้นตายการบารารมของมาเรียซึ่งดึงเอารพินให้เข้าร่วมเหตุการ์อยู่ด้วยอย่างน้อยที่สุด ก็ปรากฏผลประโยชน์ขึ้นมากับคณะพักส่วนใหญ่แล้วคือแทนที่ไอ้ยักษ์จะมุ่งหน้าไปตามฝ่ายของเชี่าไปมันกลับภวะผวาวังวุ่นหน้ไล่ตะครุบหน่วยระวังหลังทั้งสองเสียเหมือนแมวที่ไล่ตะปบแมลงสาบอันพัวพันอยู่ใกล้ตัวระยะเวลาในเนิ่นานานออกไปได้เท่าใดก็เท่ากระเปิดโอกาสให้ฝ่ายเชี่าเคลื่อนที่รุดหน้าหนีไปสู่ความปลอดภัยได้มากขึ้นเท่านั้นแต่คณะของบุคคลเหล่านั้น จะนึกรู้บ้างหรือไม่ว่าสองคนเบื้องหลังตกอยู่ในภาวะเช่นไรอาจได้หินเสียงปึงที่แผ่สนั่นขึ้นแต่มันก็สายไปแล้วในการที่จะย้อนกลับมาเห็นเหตุการณ์และถ้าคนเหล่านั้นฉลาดก็จะต้องไม่มัวห่วงหลังย้อนกลับมาให้มีอันตรายแก่หมู่คณะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนอกจากจะหาที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ตนเองก่อนและรอฟังข่าวภายหลังเพราะอย่างน้อยที่สุด ผู้ที่ประทับอายักษ์ในขณะ น, นี้ก็คือระพิน์ไทรวันและมารีอาฮอปมันซึ่งคณะย่อมรู้ฝีมือดีอยู่แล้วจุดประสงค์ที่หมายจะอ้อมหนีลงใต้าทางลมเป็นหมันไปซะแล้วเพราะมันกขมันมองเห็นเข้าซะก่อนในระหว่างที่ทั้งสองวิ่งแพล่งเป็นหนูแตกรังกันอยู่ในแถวทางเดินแคบๆระหว่างช่องหินเตีย้ยมมันก็โผล่เข้ามาเหมือนราหูที่หมายอมโลกทั้งโลกไว้ในปากสองขาบนอันงอติดอก ปะทะโครมเข้ากับก้อนหินที่กีดขวางเครื่องบินทั้งลำแล่นชนอย่างไรก็อย่างนั้นเสียงตูมสนัน่นแนวยอดหินทล่มทลายระพินกระเด็นหันซุนเข้าไปกลิ้งอยู่กับโพรงหินแคบๆตอนหนึ่งในขณะที่มาเรียนหลุดรอดออกมาได้ทางด้านใต้ทองทรายมือเราตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงหลงจอมพลบุญงงนั่งทางขาอยู่กับพื้นเห็นดาวเปล่าพร่างระยัตาไปหมด แล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูสีศาที่ชะงอกลงมาดูเรากลับจะยิ้มแล้วร้องทักทายว่าสวัสดีนายไพรวันมือของเขาค่อยๆเอื้อมกระดึบตามพื้นไปยังไร่ต้นที่ตกอยู่ข้างๆตายังมองประสานมันอยู่เช่นนั้นไม่กระพริบภาว่าเช่นนี้เขาทายไม่ถูกว่าระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยตัวเองของเขากับการที่มันชกชะงักคอลงมาอ้าปากคาบ ยังไหนจะมาถึงก่อนกันพระพุทธคุณเท่านั้นที่ระลึกถึงได้อยู่ในขณะนี้ขาหลังข้างใดข้างหนึ่งของมันยังทรงกายไม่ถนัดนักก็ฮิตเดดของกระสุนจุดสห้าแที่เขายัดเข้าไปฝังอยู่ในกระดูกเมื่อค่ำวานนี้นั่นเองที่กระทำไว้ช่วระยะเวลาเพียงแค่แมลงเล็กๆสักตัวหนึ่งกระพือปีกบินนี่เองที่มันลากขาเข้ามาจะยันตัวให้ถนัดขึ้น ก็ยื่นหัวต่ำลงมาจุดส7 5เจ็ห้ามกก็ลั่นแวกอากาศช้อนชัยสังกับไปในดวงตาข้างซ้ายอันเป็นเป้าทนัคถนีที่สุดและก็พัดไปทีเลือแหงดูแลสหายศึกอันเป็นแม่สาวผมทองของเขาไวปานลมกรดหล่นยิงในระยะประชิดไปพันที่สุดก็ยักษ์ตะแคงทหนักขึ้นด้วยอาการโลดเราของมันเองมากกว่าที่กระสุนจะมีอนมานาจผลักดัน แล้วหมุนพลิกหงายหลังคลื่นลงไปทับก้อนหินจนแผ่นดินสะเทือนคราวนี้มันไม่ร้องเลยเพียงแต่ปีนทั้งสี่ตะกายอาการอยู่วูดวาดอย่างเสียหลักและพยายามจะพลิกตัวงอหัวขึ้นมาอีกด้วยอาการที่ช้าลงกว่าเดิมระพินตะครุบไรเฟิลของเขาขึ้นมาได้วิ่งออกมาจากซอกคับขันนั้นในขณะที่เราเห็นหลังของมารีเอลลบบูเข้าไปใต้ก้อนหินทางด้านปลายหางของมัน แกว่งทุบดิ้นอยู่เป็นจังหวะลำปบลูกเลื่อนยัดกระสุนัดใหม่เข้ารังพลงิงไว้ยิ่งกว่าสายฟ้าลแลบแล้วยกปืนส่องไปยังร่างนั้นซ้ำแต่เสียเวลาอยู่ที่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะส่งกระสุนเข้าไปตรงไหนดีเพราะยังหาเป้าถนัดใจไม่ได้จากร่างกายเท่าตึกห้าชั้นนั้นแต่แล้วโดยบังเอิญที่สุดปลายหางของมันก็กวาดวูกเข้ามากระทบแค่เฉียดแมมสาวสีสะทิมลงกับพื้น ใส่ลังกาสองทอดมือหลุดจากมือก็เด่นไปทางหนึ่งจุกแอกอยู่กับที่ขยับขยื่นกายแทบไม่ได้พอดีกบรพินวิ่งมาถึงเขาก้มลงคว้าไร้คนของหลอนขึ้นมาก่อนแล้วเล่นมาหิ้วกายหลอนขึ้นกัดฟันพาวิ่งเข้าสู่เส้นทางอันคดเคี้ยวแล้วไม่ว่าจะตะเกียกตะกายและห น, นีกันให้เร็วที่สุดเช่นไรก็ตามพอมันทรงตัวถนัดยืนพยงยืนพอาดขึ้นมาได้พร้อมกับชูคอชนะอีกครั้ง ด้วยเลือดที่ไหลหลังพรูเต็มหน้าก็ดูราวกับว่ามนุษย์ตัวกระจจอยร่อยทั้งสองอยู่เพียงแค่ปลายจมูกของมันนั่นเองประตูตแห่งการหนีรอดดูจะไปตายหมดทุกด้านความหวังโบยบินออกไปไกลมรณการเลยเห็นอยู่รำไรเบื่องหน้าทั้งสองเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยต่อเหตุการณ์จนแทบจะไม่มีแรงขยับขยืขย่นอีกต่อไปแต่ก็กัดฟันฝืนใจดิ้นรน เสว่งหาทางรอดไปจนสุดพลังห่วงสุดท้ายเท่าที่เหลืออยู่แขนขาหนักอึง้งไปหมดเหมือนวิ่งอยู่ในความฝันรายมันรุกกระชั้นไล่ครบนับเข้ามาอย่างชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัวติดถ้าระพินและมาเรียบัตรนี้ไม่มีจังหวะแม้แต่จะวาดวัดไรเฟิร์นในมือขึ้นได้นอกจากลบ ก, กันอย่างหัวซุกหัวซุนซอกซอนกระเจิดกระเจิงไปในระหว่างหินต่อหินเหล่านั้น ไม่มีเวลาแม้จะร้องบอกหรือคำพูดใดๆแกกันทั้งสิ้นเพราะความเหนื่อยหอบแทบหัวใจวายแก่งแง่โคทินอันซับซ้อนอยู่ในขณะนี้เท่านั้นที่ยืดลมหายใจออกไปเจ้าสัตว์อันเคยดำรงความเป็นเจ้าโลกในยุคบรรพการคำรามอยู่ในลำคอขณะ น, นี้ฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะของอสูรรายที่มองเห็นชัยชนะและพระหนึ่งจะรู้ชัดว่าเยืตัวกระจ่อยร่อย อันเต็มบริพิษสงของมันทั้งสองจะไม่มีทางหนีรอดโครงเขี้ยวมันไปทางใดได้อีกแล้วมันเดินเกาะก้อนหินไล่ต้อนใกล้เข้ามาทุกขณะโดยชะโอกสูงมองเห็นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพร้อมกับแผเสียงดุดด้องคูสัมพัสขวัญอยู่เป็นระยะระยะปากที่อ้ากว้างแดงฉานไปด้วยเลือดซึ่งจะต้องเรียกคืนมาด้วยเลือดของมนุษย์ทั้งสองเช่นกันท่านใดนั้นเอง ความโจนตัวขีดสุดก็สร้างความเคลืาอนใย้แกมารีอาหล่อนถอยกลูเข้าไปติดโคนหินก้อนหนึ่งเคียงข้างกับเขาซึ่งบัตนี้กำลังพยายามรวบรวมกำลังยกปืนขึ้นแต่แล้วพอมองเห็นช่องเบื้องหลังทะลุออกไปสู่บริเวณที่ราบโลกลาดต่ำลงไปสู่ภูเขาหินลูกหนึ่งหล่อนก็พุบออกทางช่องนั้นวิ่งโซซัดโซเซออกไปยังบริเวณโลกนั้นทันทีหวังจะบ่ายหน้าเขาหาภูเขาหิน ที่เล็งเห็นห่างออกไปประมาณ70เมตรโดยไม่มีอะไรอำพรางตาเลยนอกจากแหลมสูงสูงต่ำต่ของพื้นที่รับหินใจหายว่าแต่เขาไม่มีเสียงตะโกนเตือนใดๆอีกแล้วนอกจากมองเห็นตามหลังหลอนไปได้วยในตาอันเหลือกลนันมารียลืนลืมไปเสีแล้วว่าสิบเก้าของหล่อนที่วิ่งออกไปนั้นยังไม่ได้เพียงเก้าเดียวของมันถ้าไม่มีอะไรกีดขวาง ยักหันขวับละความสนใจจากเขาทันทีไม่เห็นเยื่นแล่นออกที่โล่งแจ้งถ น, นัดตาจบกรรมสิ้นดีโชคไม่เข้าข้างเขาเลยโดยการหันมองเช่นนั้นตาข้างที่บอดแล้วของมันหันให้กับทางปืนของเขาอีกแล้วซึ่งมันแทบไม่มีผลอะไรคืบหน้าขึ้นมาเลยถึงเช่นนั้นก็ตามเขาก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยักยั้งมันไว้เท่าที่จะทําได้ในจังหวะอันคับขันขีดสุดนี้ จอมพรานต่อโครมเข้าไปอีกนักหนึ่งซ้ำที่เดิมตาซรายของมันปัดนิปะทะพลุนไปด้วยอํนนานาจของลูกปืนความเจ็บปวดสะดุ้งสะเทือนเพราะบริเวณนั้นอันเป็นจุดเปล่าช่วยมันเสียหลักหัวต่ำไปอีกครั้งหนึ่งเสียจังหวะไปชั่วขณะระพินโฉโอกาสโกยแนบตามหลังมาเรียไปอย่างไม่คิดชีวิตทั้งๆ ท, ที่มองไม่เห็นความหวังเลยว่าทั้งเขาและแม่หัวดีผู้ ก, ก่อเรื่องยุ่ง จะไปถึงภูเขาหินลูกนั้นก่อนหน้าที่มันจะตามมาทันได้อย่างไรขณะที่วิ่งซอยเท้าอย่างเร็วที่สุดชนิดที่วิ่งแข่งกับความตายนั้นเขาย่อมจะรู้สึกถึงเหตุการณ์เบื้องหลังดีโดยไม่จำเป็นจะต้องเหลียวมามองอายักษงงไปเพียงแค่อึดใจเท่านั้นสำหรับพิษสงการยิงครั้งสุดท้ายของเขาแล้วมันก็โลดไล่าตามหลังมาเหมือนช้างไล่หนูเบื้องหน้าของเขาที่กาลังกลัวตามไปนั้น มาเรียโผเพ้ป่อแป่หมดแรงลงเป็นลำดับหล่อนพะวิ่งออกจากที่เดิมไปได้เพียงไม่เกินสามี่สิบเมตรเท่านั้นก็ดูเหมือนจะเกิดอาการหน้ามืดล้มฟุบนิ่งลงกลางทางโลกรพินไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่อีกทางสิน้นตนเองก็ใกล้จะหมดเรี่ยวแรงเช่นกันวิ่งโซเซมาถึงร่างของแมมสาวที่ฟุบอยู่กับพื้นก้มลงพยายามจะฉุดลอนขึ้นมา แต่ปราศจากผลใดๆมาเรียนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไปแล้วหันกลับไปทางเบื้องหลังพญามัจจุราชกำลังเสยแยเขี้ยวอ้าปากว่างเคลื่อนเข้ามาซึ่งบัตดนี้เงาของมันค้นทำมึนอยู่เหนือศีรษะเรากลับจะบทบังโลกสินั้นไวหมดสิน้นหมดทางที่จะหลีกหลบได้อีกแล้วนอกจากรอคอยวินาทีสุดท้ายที่จะมาถึง่านใหญ่ตัดสินใจเด็ดขาด ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะล่นหนีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนร่วมสถานการณ์รายหมดสติไม่มีทางจะเคลื่อนไหวช่วยตัวเองได้แล้วเช่นนี้ถ้าเขาตะเกียกตะกายผละทิ้งหล่อนไปมาเรียจะเป็นเหยื่อที่ผ่านเข้าปากมันเป็นคนแรกและต่อจากนั้นมันก็จะหันมาจัดการกับเขาโดยไม่ยากนักก็เมื่อจะหนีไม่พ้นด้วยกันแล้วประจันหน้ากับมันสักตรง น, นี้รู้แล้วรู้รอดไปเป็นไร จอมพรานขบกรามแน่ยืนครอมร่างของมารีอาฮอฟมันเปิดลูกเลื่อนออกยัดกระสุนเข้ารันเพลงเพียงนัดเดียวแน่ละ่ะเขคงไม่มีโอกาสมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากนัดสุดท้ายซึ่งจะซัดกันซึ่งซึ่งหน้ายัางเผาขนที่สุดขอยิงอีกนัดเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็สุดแล้วแต่โชคชะตาแล้วก็รอเวลา ที่มันจะชะโงกหัวลงมาถึงตัวเบิกตาจ้องภูเขาเคลื่อนที่ลูกนั้นไม่กระพริบขณะนั้นเองแผ่นดินที่เขาปักหลักยืนอยู่ก็มีอาการสั่นสะเทือนครั้งแรกเขาคิดว่านี่มันเป็นวาเป็นสัญญาณวาระสุดท้ายของคนก่อนที่ชีวิตจะปลิดปลิวออกไปจากแรกซึ่งจะต้องรู้สึกวิปริดไปเช่นนี้ละกลันแต่แล้วก็เริ่มรู้สึกในขณะจิตต่อมาว่า มันไม่ได้เกิดจากอุปทานของตนเองซะแล้วแผ่นดินที่ยืนอยู่และอาณาบริเวณกว้างไกลโดยรอบมันมีอาการสั่นคลอนจริงพร้อมกันก็ปรากฏเสียงคลื่นคลังเหมือนฟ้าร้องดังอยู่รอบตัวและใต้แผ่นดินที่ยืนอยู่ร่างกายสั่นอยู่ไปมาคล้ายยืนอยู่บนเรือที่โดนคลื่นปรากฏการประหลาดที่แทรกซ้อนขึ้นมา น, นี้บรรดาให้ไอ้ยักษ์หยุชงงดชะงักตึกอยู่กับที่อย่างชงะตาทันหัน มันไม่ได้ย่างสามขุมเข้ามาอีกกิริยาอันดุร้ายเปลี่ยนเป็นตื่นสนกุกละความสนใจจัดเหยียดตรงหน้าทันทีเหลียวคอไปมหอย่างรวดเร็วแล้วส่งเสียงรันเมื่อเสียงคลื่นครั้นวันไหวนั้นเริ่มจะกระหึ่มก้องขึ้นทุกทีพร้อมกับโคถินรอบดนันซึ่งเริ่มจะปริราวแล้วเคลื่อนโยกคลอนราวกับถูกจับขยับท้องฟ้าอันแต่เดิมสว่างจ้าบัดนี้มืดคลึมลงอย่างรวดเร็ว ด้วยสั ญ, ญลักษณ์ของมหาวาตักไทแรนโนซรสมหายักษ์กดหัวใบหน้ากลับอย่างกะทันหันแล้วออกแล่นตะโพงบุกเข้าไปในป่าหินอย่างไม่ยอมเหลียวหลังเหมือนจ ะ, ะโกรกหวาดกลัวกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอำ น, นาจอยู่เหนือมันแล้วมันก็สัมผัสรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณฉุนก้อนหินหักถล่มพินาศเป็นทางไปท่ามกลางสายตาอันจ้องอย่างตะลุงพลึงเพลิดของระพินซึ่งขณะนี้ ไม่อาจทานายสิ่งใดได้ถูกคุณพระช่วยไม่มันเกิดอุบัติการอันใดขึ้นชีวิตเขารอดพ้นจากไอตัวมหากันเพราะอะไรและบัดนี้เล่าเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่รพินไพรวันเหลียวไปรอบกายอย่างรวดเร็วได้ดวงตาอันเบิกโพรงเขาเห็นก้อนหินรอบด้านสะเทือนลั่นอยู่คึกๆๆ ค, ค, ค, ครั้งแรกมันก็เบาเบาก่อน ต่อมาก็เริ่มจะสั่นแรงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งไต่ร้าวกระจายเป็นฝุ่นเสียงอันเหมือนฟ้าคำรนติดต่อกันมาแต่ไกลนั้นไม่ได้มาจากท้องฟ้าเบื้องบนด้านใดเลยหากแต่ดังอยู่ใต้แผ่นพื้นพระสุธาที่เขาเหยียบอยู่นั่นเองตัวเองที่ยืนอยู่ก็วูบวับโคลงเคลงน้อยๆเหมือนคนเมาหลับผงละอองฝุ่นทุลีจากพื้นดินลอยฟ้องขึ้นมาเป็นควันกโมงครามใหญ่คาญใหญ่หัวใจแทบหยุดเต้น ยืนอยู่ตรงปลายจมูกไอเดโนเสายักษ์ไม่โยกโยกนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาประวันท่านรึงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่อุบาทขึ้นตำตาในขณะนี้ทำให้ทับช็อกเพราะไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยในชีวิตนี้ว่าจะได้พบเขาสุกกายวูบลงอย่างรวดเร็วมีมีเสียงครางในลำคอและเปลือตาคู่นั้นก็ลืมขึ้นไพวัน เสียงของหลอนแหบระหวยสติเริ่มจะคืนมาสู่ตัวร่างๆนี่นี่นี่เราตายแล้วเหรอเรายังมีชีวิตอยู่เมแต่แล้วแล้วไอ้ยักษ์เรื่องอะอยู่ไหนมันไปแล้วเมมันหนีผ่าจากเราไปเดี๋ยวนี้เองทำไมเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเอ๊ะเ อ, เอไทวันทาไมแผ่นดินโคลงอย่างนี้รู้ว่าฉันไม่สบายรู้สึกวิป ร, ริไป ยกหลังหล่นร้องระล่ำระลักโวยวายพวกฟาดลุกขึ้นนัง่งโดยเร็วแล้วลืมตากว้างมองไปรอบๆตัวซึ่งกำลังกำปนาาอื่นอยู่ด้วยสันเนียงโควรวครางประหลาดแผ่นดินไหวมาเรียฮอบมั่นตลึงใบหน้าที่ซีอยู่แล้วของหล่อนบัตรนี้เหมือนศพเราดีๆนี่เองนั่งมองเขาตาค้างริมฝีปากขยับหมุกหนิดแต่ไม่มีสันเนียงใดๆจะผ่านลําคอออกมาได้ใจต่อมานั่นเอง มันก็โผก็มากอดเข้าไว้แน่นกายสั่นเทมิมร้องเสียงแสนสะท้านแ้บฟังไม่เป็นภาษาไทวันพระเจ้าลงโทษเรากระมางพระเจ้าช่วยเรานะเมถ้าไม่เกิดปรากฏการณนี้ขึ้นเราสองคนกลายเป็นเหยื่อไอเดโ น, โนเสานั่นแล้วแผ่นดินไหวทําให้มันชะ ง, งัดจากเราแล้วพลัดหนีไปตั้งสติไว้ดีเมมันไหวแรงขึ้นทุกทีแล้วเราต้องเอาตัวรอดให้ได้รพินพูดเร็วปรือ โดยไม่ทันจบประโยคก็ฉุดกระชากเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์รายของเขาขึ้นยืนแต่แล้วทั้งสองก็สวนเซระสันราสายเหมือนยืนอยู่บนกระบะรถบรรทุกที่กำลังวิ่งไปตามถนนขรุขระแมมสาวร้องลั่นอย่างตกใจเมื่อแผ่นหินบริเวณที่ทั้งหล่นและเขายืนอยู่ร้าวฉานออกเป็นรอยแยกกินแนวคดเคี้ยวไล่ามาเป็นลำดับใช่แล้วแผ่นดินกำลังแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆประดุดแก้วรือกระเบื้องเคลือบราว ห่างจากหล่อนเพียงสองวารแล้วยุบถลมคัวบลงมาเรียเสียหลักส่วนถลาสีแสจะตักลงไปในรอยช่องแยกของหินนั้นแต่ละพิงคว้าหลังเสื้อไว้ได้ทันกระชากชุดรัางตัวไว้ก่อนที่หลอนจะตกลงไปในลักษณะธรณีสูขและทั้งสองก็จูงมือกันวิ่งกระโจนข้ามรอยรล่าที่แล่นเป็นทางคดเคี้ยวปรากฏอยู่ทั่วไปนั้นวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งอย่าเสียงบุญเสียงกรรม บายหน้าไปหาภูเขาหินลูกข้างหน้าซึ่งบัดนี้ชะง่อนแง่หินหักถล่มอยู่คลื่นโคลมฝุ้งตลบมัวมนไปหมดเป็นการลุลา น, นีมาหาภัยพิบัติชนิดใหม่ที่แทรกซ้อนขึ้นอันเป็นภัยจากธรรมชาติวิปริตซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแศบบ่สจกจุดหมายปลายทางแน่นอนแรบบ่สจากสิ่งใดที่จะยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งักผินอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับหัด ของพระพู้เป็นเจ้าทั้งคู่สมงสารกระเสะกระเสิงไปด้วยกันหลายต่อหลายครั้งที่ก้อนหินเกือบจะหล่นลงมาบด ท, ทับ ร, ร่างแหลกละเอียดไปและแทบทุกฝีก้าวอย่างเกือบจะถูกรอยแยกของแผ่นดินดูดให้ถ ล, ล่มลนลงไปสู่เบื้องหลังมาเรียท่ออะไรกับชีวิตล้มลงไปนอนนิ่งอยู่กับพื้นชนิดที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาอีก แต่สุภาพบุรุษใครฉุดลากเอาตัวหล่อนไปกับเขาโดยมไม่ยอมให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เขาไม่ทิ้งหล่อนเราต้องไม่ตายนะเมแข็งใจไว้อยู่กันที่เมื่อไหรตายเมื่อนั้นกําลังเรายาังมีเราต้องสู้กับมันจนถึงที่สุดสิแล้วเขาก็กระชากล่อนไปจนได้ไม่ว่าแมวสาวจะท้อแท้สิ้นหวังเช่นไรเขาไม่สนใจแม้ว่าหล่อนจะขอร้องให้เขาหนีเอาตัวรอดไปตามลาําพังแล้วทิ้งหล่อนไว้ ความวิบัติอันน่าสะพึงกลัวเกิดจากธรรมชาติวิปริตนั้นร้ายแรงขึ้นทุกขณะความสั่นสะเทือนกินแดนกว้างไกลไปในรัศมีไม่ต่ำกว่านหนึ่งรอยตารางกิโลเมตรของขุนเขาและป่ายสัญลักษณ์ความพินาศของผิวโลกรากฏอยู่รอบด้านแผ่นดินบางส่วนยุบจมลงไปบางส่วนทะลักล้นขึ้นมาภูเขาปริแยกสันคลอนหักถลม่มสำเนียงคลื่นคลั่งอื้ออนณันครวนครางอยู่ตลอดเวลา ของฟ้าก็มืดคลึมตันปูนไปหมดด้วยมาหาวาตาที่พัดหมุนเป็นเกลียวหินทุกก้อนเป็นสันได้ราวกับใครเอาใส่กระด้งยักษ์แล้วร่อนไปมาไม่มีภาวะใดที่น่าจะสยองกลัวไปกว่านี้แล้วเท่าที่ชีวิตมนุษย์สักคนหนึ่งจะผ่านพรัรพินสะพายไรเฟริลคู่ชีพเฉียงพาดหลังมือนึงถือไรเฟริลของมาเรียซึ่งเจ้าของบันี้ทอดอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่าง อมูอนึ่งกำข้อมือหลอนไวอย่างเหนีวแน่นที่สุดพาวิ่งไปตามแนวพื้นดินที่ปริแยกเป็นเส้นขนานและเปลี่ยนเส้นทางอยู่หลายครั้งเมื่อแผ่นดินแยกขวางหน้าวุดบิดจะร่วงลงไปสู่ก้นโลกอันมืดมิดสติสัมปชัญญะรวมมันสมองสั่งการได้อย่างถูกต้องไม่ปล่อยอำนาจความตกประมาวาดตัวเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือกว่าพระพินไห่หวันพระเจ้าได้กำหนดชีวิตของเขามาแลว้ว เพื่อที่จะให้เป็นนักต่อสู้อย่างแท้จริงสู้จนยิบตาด้วยความกล้าหาญและมั่นคงที่สุดสู้แม้กระทั่งความตายที่มองเห็นชัดอยู่เบื้องหน้าอย่างไม่ยอม ง, งอมืองอเทา้าให้มัดจุราช ย, ยิ้มหยันหมิ่นน้ำใจในที่สุดทั้งสองก็สมซานเข้ามาถึงเชิงเขาใหญ่ซึ่งสัญชาติยาญแห่งการหนีภัยเยี่ยงสัตว์โลกทั่วไปเตือนให้คิดว่ามันน่าจะเป็นแรงทักพิงยิงเดเมียวได้มากกว่า ที่จะอยู่กลางที่โล่งแจง้งท้งทางที่โดยแท้จริงแล้วการมุ่งเข้าหาแหล่งหลบซ่อนซุกหวชนิดนั้นอาจเป็นการมุ่งเข้าไปเพื่อหาอันตรายที่ร้ายแรงมากเสียกว่าอยู่กลางโล่งแจ้งก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแผ่นดินกําลังไหวสะเทือนอย่างรุนแรงหินถล่มพังอยู่เช่นนี้เขาหินทั้งลูกกําลังสั่นเทิร์ราวกับสิ่งมีชีวิตปรากฏรอยร้าวฉานอยู่ทั่วไป แหน่งไหนเป็นชะ ง, ง่อนเงื้อมหรือส่วนที่บอบบางก็แตกหักขาดสะบั้นจากส่วนที่เชื่อมติดร่วงทะลมลงมาปะทะพื้นเบื้องล่างปรากฏเสียงกำปั้นหน้ากึกก้องอื้ออึงไปหมดผงครีฝุละอองตกคลุมหนาทึบแทบจะสังเกตอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นทุกละอองปรมาณูของมันที่ลอยคลุ้งเป็นม่านความอยู่ยามนี้คือละอองแห่งมรุดตะยูที่คลุมอยู่ทั่วปริมณฑล ไม่มีสถานการณ์ใดอีกแล้วที่จะเลวร้ายหน้าพันสยองไปกว่านี้เท่าที่ชีวิตแห่งการต่อสู้ผจญภัยธรรมชาติของรพินไครวันได้ผ่านพวกมาสเปคและความกล้าหาญเยือกเย็นของเขาเท่านั้นที่ช่วยรักษาชีวิตของตนเองและหญิงสาวที่อยู่ภายใต้คุ้มครองไว้ได้ฐานหินของภูเขาลูกนั้นอาจเป็นก้อนหินใหญ่ทั้งลูกที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะไม่ปริแยกออก เหมือนแผ่นดินบริเวณอีกถึงเช่นนั้นก็โยกคลอนสะท้านซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากแผ่นดินส่วนอื่นเบียดร่นเข้ามาพรานใหญ่ลอกข้อมือพันญาไม้คนสวยของอดีตนายจ้างครับนำวิ่งอย่างล้มลุกทุกคลานตรงเข้าไปยังปากทางอันเลเห็นเป็นช่องโรงคล้ายคลยเวงถ้ำเล็กๆซึ่งเบื้องบนสูงขึ้นไปเป็นบริเวณหินย้อยที่กำลังคาถลม่มลงมาเป็นระยะก่อนหินใหญ่น้อยขนาดต่างๆ ็ลื่งพัดผ่านร่างกายของบุคคลทั้งสองไปอย่างวุดวิดและแคล้วคลาดจากการบยทับไปได้ราวกับมีปาฏิหาริย์เข้าช่วยมาเรียพยายามจะดิ้นรนฝืนตัวไว้เมื่อรู้สึกว่าเขาจะนำหลอนมุ่งเข้าไปในโพรงถ้ำที่เห็นอยู่นั้นแต่จอมพานไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจกระชากหลอนสุดแรงเกิดน้ำตลวยผ่านกองหินและผ่านฝุน่นตลอดจนฝนหินที่โปรยปลายลงมาจากเบื้องบนนั้นจนได้ หลุพ้นเข้าสุปากทําหันดำมืดราวกับนรกนรากานนั้นทั้งคู่ก็ล้มขมามกิ้งไปกลาทางด้วยอำนาจความสะเทือนลั่นประหนึ่งว่าเขาทั้งลูกจะยุหบหัวลงไปสู่ใต้บาดาลฉะนั้นทั้งทั้งที่มืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรก็ยังรู้สึกได้ว่าผนังท่านรอบด้านคล้ายๆจะปริแยกออกและพังลงมาบทขยี้ทับ ส่วนปากทางที่เพิ่งจะหลุดรอดกันเข้ามาได้ยกหยกเมื่อกึ่ดใจนี้หินจากเพิงผาด้านบนก็หักหลุดลงมาทั้งกระบี่ไม่ต่ํากว่าร้อยตัดฟาดโค่นลงมาปิดปากทางสมบูรณ์สิน้ําหนักของหินที่ถล่มพังลงมาปิดปากทางเข้านั้นทําให้ร่างกายที่ล้มกริ้งอยู่กับพื้นกระดอนลอยขึ้นมาพระหนึงตัดไต้ไส้พุงจะทะลักทลายตามอํานาจสะเือนนั้นด้วยและหนะัก ดูหเหมือนจะเป็นจังหวะที่แผ่นดินสัน่นสะเทือนแรงที่สุดจากนั้นก็เริ่มจะผ่อนคลายเกลี้ยวกลาบเบาบางลงเป็นลำดับแต่ก็ยังไม่ติดต่อกันไปอีกเหมือนจะไม่ยอมสงบลงโดยง่ายได้ยินแต่เสียงคลางคลื่นอยู่ใต้แผ่นดินแต่เสียงหินหักถล่มอันเป็นส่วนของผิวดินเบื้องนอกส้างสาไฟอากาศภายในโพรงถ้ากดต่าอบอ้าว แล้วโชยไปด้วยกลิ่นไอกรรมฐานตลอดจนแก๊สเผาไหม้บางชนิดนั่นเป็นความรู้สึกของรพินไพรวันซึ่งคืนสติอีกครั้งเมื่อถูกมือหนึ่งเขย่าปลุกในความมืดเอื้อมมือเปกปะออกไปก็กระทบกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของผู้ที่กำลังปลุกเรียกเขาอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกจากมาเรียฮอฟมันแม่คนเดนตาย ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่กับเขาไพาวันคุณปลอดภัยหรือเปล่าขณะนั้นระพินเต็มไปได้วยความมึนงงเขาเกาะแขนของหล่อนซึ่งประคองอยู่ในขณะ น, นี้ค่อยๆยทรงกายขึ้นนั่งพยายามปรับม่านตาให้เข้ากับความมืดที่แวดล้อมอยู่ต่อมาก็พอจะสังเกตเห็นอะไรได้เป็นเงาตะคุกอาศัยจากแสงสว่างรางรางที่ส่องรอดส่องรอดรอยแตกแยกของหินเหนือสีสัก เป็นช่องเล็กช่องน้อยทั่วไปเขาเดอไม่ถูกว่าตนเองขาดความรู้สึกไปนานสักเท่าใดเพราะแม้จะคืนสติขึ้นมาในยามนี้ก็ยังได้ยินเสียงคำรนอยู่เบาๆและพื้นก็ยังไหวอยู่น้อยๆติดต่อกันไปตลอดเพียงแต่ลดความบ้าคลั่งร้ายแรงลงเท่านั้นหันมาจ้องนักโบราณชีวาศาสตร์สาวผู้ร่วมสถาน ก, การณ์ซึ่งเขย่ากายถามเขาอยู่อย่างร้อนรนในขณะนี้ ก็ไม่สามารถจะสังเกตใดๆไ ด, ได้ทั้งสิ้นนอกจากเขาโครงของกรอบหน้าที่ชะโงกเข้ามาใต้จนเกือบคิดและมือทั้งสองที่จับตัวเขาไว้ผมไม่เป็นไรเมย์เขาตอบเป็นครั้งแรกเสียงแหบจนแทบไม่สามารถผ่านลำคออันแห้งเป็นผงออกมาได้แล้วคุณล่ะฉันก็ไม่เป็นอะไรมากนักหรอกเราหมดสติกันไม่นานทีเดียวไพวัน แต่ฉันรู้สึกตัวก่อนคุณสักห้าหกนาทีเห็นจะได้นะควานมาพบคุณนอนความหน้าอยู่ตรงนี้ที่แรกนึกว่าตายแล้วฉันดีใจนะที่คุณไม่เป็นอะไรจะหมดความรู้สึกไปเหรอก็สงสัยตอนที่มันไหวรุนแรงที่สุดขณะที่เราผ่านปากถ้ำเข้ามานั่นแหละหินปากถ้ำมันถล่มลงมาทับสะทืนยิ่งกว่าลูกระเบิดลงแล้วเราก็คงจะนอกพื้นหมดสติไปตอนนั้น นานสักเท่าไหร่ไมฉันฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมาเรียร้องเบาๆหางเสียงแตกพร่าเหมือนจะร้องไห้แงนมองขึ้นไปตามผนังด้านบนซึ่งมีแสงสว่างรางๆปรากฏให้เห็นทั่วๆไปตามแนวแตกแยกแต่ก็รู้สึกว่าคงไม่น้อยกว่าชั่วโมงเต็มๆทีเดียวล่ะถึงตอนนี้มันก็ยังไม่หยุดไหวแต่ลดความสั่นสะเทือนลงมากแล้วอีกสักครู่คงจะสงบล แล้วพินพยุงกายขึ้นนั่งคุกเข่ารู้สึกขัดยอกปวดร้าวไปหมดทั่วสันภาังกายพยายามตรวจสอบตอนเองตั้งแต่สีสักลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นเมื่อพบว่าไม่มีความเจ็บปวดสาหัสหรือความพิการเกิดขึ้นยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาเดียนลุกขึ้นยืนตามโดยเร็วในภาวะนี้ดูหล่อนจะแคล่วคล่องกว่าเขามากคอยจับแขนพยุงไว ทั้งสองยืนพิงโขดหนินก้อนหนึ่งของพื้นถ้ำพากันสงบนิ่งเหมือนจะปรับระดับจิตใจอยู่ครู่หนึ่งไม่สามารถจะพูดอะไรกันได้เพราะความมึนตื่ของสมองและประสาทที่ซึมชาไปหมดบ้างคันนะเขาทั้งสองก็ไม่แน่ใจตนเองเหมือนกันว่านี่เป็นเหตุการณ์แท้จริงที่เผชิญหน้ากันอยู่หรือว่าอะไรกันแน่เสียงแสงสะเทือนเบือเบ้องใต้พื้นพิภพยางเบาลงไปเป็นลาดับ แ ล, แล้วในที่สุดก็เงียบสนิทหายไปทิ้งโลกภายในถ้ำมืดนั้นให้สงบนิ่งเป็นดุจสีประดุดโลกรางอันปราศจากชีวิตใดๆทั้งหมวลตามเดิมปล่อยให้พฤตธิเหตุแห่งพิบัติภัยธรรมชาติซึ่งผ่านไปเมื่อครู่นี้ตกอยู่ไงเงาเงื้อมฉงนซึ่งแทบจะเชื่อเสียมิได้ของมนุษย์ทั้งสองชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยกันณนะบัดนี้ เงียบที่สุดของความเงียบปกคลุมแวดล้อมอยู่รอบตัวจนได้ยินเสียงลมที่ลั่นกริงออกหูและเสียงหัวใจที่เป็นระทึกอยู่ในอกระพินไหวตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร่วมชะตากรรมกระซิบเรียกชื่อใครจะไม่แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าในร่างกายที่ยืนนิ่งประดุดหินนั้นสงบลงแล้ว ก็พึมพำพยายามเหลียวมองรอบกายอีกครั้งกำลังความคิดที่เป็นอมาพาศไปชั่วระยะเวลาหนึง่งแบบนี้เริ่มทำงานแต่ชั่วระยะของมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านี่ฉันเชื่อวันคงหยุดลงแน่นอนนั่นหละมาเรียกล่าวเสียงเบาในลักษณะรประซิบกระราบเช่นเดิมมันไหวแรงเต็มที่สุดฤทธิ์เดชของมันและแล้วก็ซาสงบไปตามสภาพ จะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกในระยะเวลาใกล้ๆกันคุณเคยพบกระแผ่นดินไหวมาก่อนหรือเปล่าล่ะครั้งเดียวในชีวิตนะเมระหว่างที่ผมยังเป็นตำรวจชายแดนอยู่ในป่าแถบแม่สายตอนเหนือสุดของประเทศไทยอะ่ะก็หลายปีมาแล้วล่ะมันมีอาการคล้ายๆจะไหวขึ้นครั้งเดียวแต่ไม่รุนแรงอะไรนะและบางคนก็ไม่รู้สึกตัวซ เ, เด็วซ้ำสาหรับผมเองนะรู้สึกแต่เพียงว่า แผ่นดินที่เจืนอยู่นะมันโครงเล็กน้อยอาการไหวชนิดนั้นกินเวลาเพียงไม่เกินสิบวินาทีแล้วก็สงบลงปรากฏการแผ่นดินโครงชนิดนั้นกินแดนตั้งแต่อําเภอแม่สายลงมาตลอดจนถึงเชียงรายและเชียงใหม่ผู้คนในเขตจังหวัดเหล่านี้ซึ่งรู้สึกได้เหมือนกันหมดแต่ยังไม่เคยเห็นแผ่นดินแยกร้าวฉานออกไปต่อหน้าต่อตาหรือภูเขาหักถล่มลงเหมือนอย่างที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ และไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นด้วยฉันเคยพบแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดนะสมัยที่อยู่ในนิวซีแลนด์มันก็เกิดบ่อยจนจนเป็นเรื่องธรรมดาของพวกนั้นะ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรงนะักไหวครั้งหนึ่งก็กินเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่ที่เราพบกันนี่มันเป็นการไหวอย่างบ้ า, บาคลั่งโหดรุนแรงที่สุดแล้วก็กินเวลาติดต่อกันนานที่สุดด้วยลักษณะของการไหวชนิดนี้แหละ ที่เมืองปอมไปอีเคยถูกถลม่มลงไปจมอยู่ใต้ดินทั้งอาณาจักรและคงจะทำนองเดียวกันนี้นิทรานาครที่เราเคยที่เราผ่านกันมาแล้วด้วยนี่มันเกิดกลางสถานที่กันดานของแถบโลกกว้างมีแต่ดินกับก้อนหินภูเขาถ้ามันเกิดขึ้นในย่านชุมชนเขตบ้านเมืองจะพินาศย่อยยับกันหมดทั้งเมืองทีเดียวมันน่ากลัวจริงๆนะรพินฉันคิดว่าฉันฝันไปซอีก คุณกะถูกไหมว่ารัศมีสันสะเทือนของมันนะ่ะกินเขตแดนกว้างไกลออกไปสักเท่าไหร่มาเรียสันศรีษะยังอัดอั้นปันใจต่อเหตุการณ์เราไม่ถูกกรกตพินเพราะฉันก็ไม่ได้ชำนาญในเรื่องนี้นะักแต่สังเกตดูความรุนแรงที่เรารเผชิญก็คิดว่าอาณาบริเวณมันคงจะแผ่กว้างไปไกลามากทีเดียวไอ้ตรงที่เราอยู่นี่มันอาจจะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของมันก็ได้ ที่สูงบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆอย่างนี้มันไม่น่าจะมีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวได้เลยนะมันก็ไม่แน่หรอกแผ่นดินไหวนะ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขนทุกแห่งในโลกนี้เพียงแต่ว่าจะถึงเวลาของมันเมื่อไหร่เท่านั้นเราไม่รู้ดีว่าใต้ผิวโลกบริเวณไหนบ้างที่มีภูเขาไฟกําลังคุกรุ่นรอเวลาระเบิดอยู่สำหรับแถบนี้ เท่าที่เราผ่านกันมาแล้วก็มีร่องรอยเคยมีภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวมาแล้วเดินพินเหลยวกลับไปมองทางปากถ้ำซึ่งวิ่งกันเข้ามาก่อนที่ความสะเทือนขิดสุดจะเกิดขึ้นซึ่งบัดนี้มืดสนิทมองไม่เห็นทางเลยว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นปากโพรงถ้าที่ลอดเข้ามาได้เพราะหินถล่มลงมาปิดบังไว้หมดแล้วก็พยุงกายออกเดินคลําเปะปะจะไปทางด้านนั้น มาเรียเข้าใจความคิดของเขาจึงเหนี่ยวไหลไว้ไม่มีประโยชน์หรอกระพินบางทีหลอนก็เอ่ยเรียกนามจริงของเขาอย่างสนิทปากเช่นนี้แทนที่จะเรียกเป็นทางการก่อนที่จะงมมาพบคุณหมดสติอยู่นี่ฉันตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็สำรวจปากทางเข้าของเราเรียบร้อยแล้วหินนะ่ะมันร่วงลงมาปิดทางหมดแล้วล่ะไม่ใช่แค่ก้อนสอง้อนเท่านั้นนะแต่มันหนักเป็นร้อย้อยตันทีเดียว ภูเขาบางส่วนมันยุบลงแล้วบางส่วนก็งอกขึ้นใหม่เจ้าส่วนที่งอกขึ้นใหม่นี่แหละที่มันงอกขวางปากทางออกของเราเอาไว้และแมมสาวก็ฝืนหัวรอเสียงแปรงอยู่ในลําคอกล่าวต่อมาว่าสองครั้งแล้วนะที่ฉันตกอยู่ในภาวะติดขังคล้ายๆจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้ก้นภูเขาแบบนี้ครั้งแรกในสุสานโบราณ น, นั่นพร้อมกับชัยยันมาครั้งนี้เจอเข้ากับคุณอีก คนเราคงไม่โชคดีตลอดไปได้หรอกบางทีครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของฉันแล้วก็ได้หริวไหลน่ะเมจอมพรานพูดเสียงต่ำๆผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่จนถึงกับจะต้องทอดอะไรทอ้อถอยอะไรจนนิดเดียวถ้าเราจะตายเราก็คงตายเพราะถูกแผ่นดินสูบหรือหินหล่นทับตอนที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละล่ะคุณว่าหลบเขามาในนี้ได้ก็แปลว่าเราปลอดภัยที่สุด แค่เพียงแค่ค้นหาทางออกไปจากใต้ภูเขานี่ผ ม, มเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะตอ ห, หินมันถล่มลงมาปิดปากทางก็ตามเราก็อาจหาทางอื่นออกได้รอบด้านนี่ไม่เห็นเหรอเราไม่อยู่ห่างจากท้องฟ้าข้างนอกนักนะคุณพร้อมกับกล่าวเขาชี้มือขึ้นไปบนผนังหินเหนือศีรษะบางแห่งที่มีแสงรางรางอดแผลมเป็นแนวอยู่ทั่วไปถ้าไม่เกิดจากรอยร้าวแยกของผนังถ้า อันเกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อชั่วโมงที่แล้วก่อนหน้านั้นมันก็ต้องเป็นปล่องหรือช่องทางออกไปสู่ผิวภูเขาด้านนอกซึ่งหินหักพังลงมาปิดร่องรอยเหล่านั้นซะแต่ก็ปิดไม่สนิทนะักพอเป็นทางให้ระบายอากาศได้แสงซึ่งเห็นเป็นทางเหล่านั้นสลัวจางลงเป็นลำดับแสดงว่าฟ้าเบื้องนอกค่าลงเต็มทีแล้วคงอีกไม่นาน ราตรีก็คงจะแผ่เงาปีกสีดำสนิทเข้าขครอบคลุ่มฉันสังเกตช่องทางรอยร้าวที่แสงลอดเข้ามานั่นก่อนหน้าคุณแล้วล่ะมาเรียว่าแต่ก็มองไม่เห็นทางอยู่ดีว่าเราจะโผล่ขึ้นไปได้ยังไงเราไม่สามารถหดตัวให้มันเล็กเท่าหนูได้ก้อนหินหลายต่อหลายก้อนขนาดใหญ่ทั้งนั้นกายซ้อนทับกันอยู่มันเป็นช่องโปร่งเพียงแค่ให้อากาศหรือลาแสงแผลมลอดลงมาไดเท่านั้น แต่ก็ไม่มีช่องไหนกว้างพอที่เราจะลอดตัวออกไปได้นะแล้วมีเวลาพอเพียงที่จะแก้ปัญหากล้วยๆแค่นี้นะ่าเขาบอกอย่างปลอบใจแล้วเอื้อมือไปตบสารวจไป ห, หลังพบว่ามันยังติดหลังอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างนั่นย่อหมายถึงเครื่องยังชีพเบ็ดเสร็จประจำตัวยังอยู่ครบทำให้กำลังใจพร้อมมูนขึ้นมาอีกปืนของเราอยู่ไหนนี่เม ก็วางอยู่ใกล้ๆ ก, กับที่คุณนอนครั้งแรกนั่นแหละของฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยพรานใหญ่ดึงแขนพัญญาสาวของอดีตนายจ้างผู้ล่วงลับเดินไตพื้นหินตะปมตะปำครุขระของพื้นถ้ำตรงไปยังไรเฟิลของเขาและมาเรียซึ่งวางราบอยู่ทั้งสองสุดตัวลงนั่งอีกครั้งขณะที่หยิบอาวุธคู่ชีพขึ้นมาสารวจความเรียบร้อยมาเรียดึงไฟฉายจากย่ามหลังขึ้นมาส่อง ช่วยมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ถนัดขึ้นรอบด้านเป็นคูหาอันสลับซับซ้อนมีทางแยกไปได้หลายทางตามพื้นอันมีลักษณะเป็นลอนขรุขระอยู่ก่อนแล้วบัดนี้กราดเกลื่อนไปด้วยเศษหินหักและผงธุลีซึ่งลอยฟองอบอวนขาวมัวไปหมดบางทีมันก็ปะปนมากัควันอันมีกลิ่นกระมาถันที่อ้าวระ อ, อุระหว่างที่สุภาพบุรุษไัยเปิดลูกเลื่อนไรเฟิลของเขา ก็บรรจุกระสุนลงแม็กกาซีนให้ครบเตมมาตราเสียงถามเบาๆก็ดังมาอีกว่าฉันจำเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเละเลือนเต็มทีมันเกิดขึ้นยังไงระพิดเรากำลังจวนตัวสุดขีดตอนนั้นน่ะคุณวิ่งออกมากลางที่โล่งจะบายหน้ามาที่เชิงเขาลูกที่เราเข้ามาติดอยู่นี่แหละแล้วก็หมดแรงล้มลงผมวิ่งตามมาด้วยมันไล่มาติด ตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าคุณหมดสติไปชั่วขณะไอ้ยักษ์กำลังจะยื่นคอลงมางับเราสองคนอยู่รามารอแล้วละ่ะตอนนั้นเองแผ่นดินก็ลั่นแล้วก็ไหวโครงขึ้นตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันสิมันรู้ก่อนผมซะอีกมันรีบพละจากเราหันหลังกลับเปิดอา้าหนีไปเลยผมปลุกคุณให้รู้สึกขึ้นมาตอนแผ่นดินเริ่มสะเทือนแรงขึ้นแล้วมาเรียถอนใจขึ้น นั่งชันเขา่าเอามือกุมหัวแล้วรอดพ้นจากไทรันโนซอรัสตัวนั้นแต่แล้วก็กลับมาเผชิญหน้ากับภัยร้ายแรงของธรรมชาติอย่างกระทันหันแทบจะปรับจิตเตรียมใจรับไม่ทันโอ้พระเจ้าทำไมถึงทารุณโหดร้ายขนาดนี้นะผมบอกคุณแล้วไงเมว่าพระเจ้านะปราณีเราที่สุดแล้ว ที่บรรดานในแผ่นดินไหวขึ้นซะก่อนที่เราจะตกปเป็นเหยื่อไอ้ยักษ์นั่นเราโมแต่คิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองขณะ น, นี้แต่คุณคิดบ้างไหมว่าขณะนี้พวกเราทั้งคณะที่แยกล่วงหน้าไปก่อ น, อนจะเป็นยังไงน้ำเสียงของแมมสาวบอกชัดถึงความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายได้เมผมน่ะคิดถึงคนพวกนั้นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองซะอีก พวกเขาเดาไม่ถูกหรอกว่าในตอนนั้นทำไมเราถึงไม่ได้ตามเขาไปแล้วก็คงจะได้ยินเสียงปืนของเราที่ปะทะกับไอ้ยักษ์เขาคงจะพากันตกใจและเป็นห่วงเรามากทีเดียวอาจมีใครคิดที่จะย้อนกลับมาที่เราแต่แล้วมันก็เกิดกละียุคแผ่นดินไหวซะก่อนผมทายไม่ถูกนะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะตกอยู่ในสภาพยังไงแต่ก็อยากจะคิดในทางดีว่าทุกคนน่าจะหาทางหลีกหลบเอาชีวิตรอดได้ ถ้าไม่ถูกแผ่นดินถล่มดูดเอาจมบาดาลหายไปหรือถูกกินหักพังลงมาทับซะก่อนมาเรียถอนใจอีกครั้งแผ่นดินไหวเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะ่รุนแรงมากมันเป็นความหายณะของชีวิตที่อยู่บนผิวโลกบริเวณนี้ทีเดียวและพวกนั้นก็จะต้องตกอยู่ในรัศมีรุนแรงพอๆกับที่เราโดนเข้าด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กระดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนต่อให้วิตกังวลสักแค่ไหนแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขอย่างใดได้ทั้งสิ้นแล้วก็คงจะรู้เองแหละว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างรพินว่าไงเมคุณโกรธฉันมากไหมที่ฉันเป็นตัวการก่อเรื่องยุ่งยากให้เพราะความดื้อของฉันแท้ๆที่ทําให้คุณต้องพลัดกับพวกคณะนายจ้างของคุณโดยตรง ซึ่งคุณมีหน้าที่จะต้องดูแลใกล้ชิดเขาอยู่ตลอดเวลาทีแรกครับผมก็อยากจะปล่อยคุณทิ้งซะด้วยซ้ําเขาพูดตามความรู้สึกแท้ จ, จริงแต่หางเสียงเรียบเป็นปกติแสดงว่าโปรงตกุกไม่ถือเป็นข้อคุณข้องใจเช่นใดทั้งสิ้นแต่ถ้าผมทําเช่นนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมดีขึ้นมาได้เลยนะพวกเขาเหล่านั้นคงไม่ต้องการให้ผมทําเช่นนั้นแน่เท่าๆกับที่ผมเองก็ทําเช่นนั้นไม่ได้ด้วย ไม่ว่าจะเดือดดานคุณสักแค่ไหนและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าผมจะแยกจากพวกเขาหรืออยู่ใกล้ชิดเขาก็ตามมันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกเหตุเลวร้ายจากภัยธรรมชาติแต่มันแทรกเข้ามาเสแล้วทุกคนต้องมาเชิญกับมันอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งนั้นนะคุณระพินยกโทษได้ฉันเถอะนะลมกล่าวอย่างวิงบอลระพินหัวรากือๆปิดก้านลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือลงเอาละ ลืมมันซะเถอะเมยเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากล่าวผิดหรือข อ, ขอโทษขอโพยอะไรกันคุณเองก็รู้นิสัยผมดีมาแล้วแต่ไหนแต่ไรอะ่ะผมรับผิดชอบต่อชีวิตทุกชีวิตในคณะที่เดินทางร่วมกันมาหนิทิ้งเอาตัวรอดหรืใครปล่อยใครให้ตกอยู่ในท่วงอันตรายนะั้ไม่ได้หรอกถ้าหากผมมองเห็นตำตาและพอที่จะช่วยเหลือได้หลายๆคนขัรกันทําความเหนื่อยยากแทบแก่ชีวิตไม่รอดให้กับผมมาโดยตลอดแล้ว แต่ผมไม่คิดอะไรมากหรอกคำพูดแบบเรื่อยๆไม่ถือสาเป็นอารมณ์ของจอมพรานทำให้พญญาสาวของอดีตนายจ้างนั่งซึมและมีสำนึกในผิดชอบอยู่เหมือนกันแต่อารมณ์ผู้หญิงบางทีเจ้าตัวก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะอะไรดิ่งลงไปในข่วงลึกสุดของหัวใจซึ่งมีความวิตกกังวลถึงหมู่คณะอันเป็นความรู้สึกปกติผิวนอก ที่มีอยู่ในบัตรนี้มารียาฮอปมัน่นรู้สึกยินดีและเป็นสุขอย่างประหลาดที่หลอนพัดพรากกับคณะทั้งหมดทุกคนโดยมีบุรุษผู้นี้หลงพลัดเข้ามาร่วมสถานการณ์กับหลอนด้วยเพียงสองต่อสองบุรุษผู้ซึ่งมีอะไรคุกกลุ่นอยู่ในดวงจิตวาถนาของหลอนมาช้านานแต่ไม่เคยสำเร็จที่ผลสมใจเลยทั้งท้งที่หลายต่อหลายครั้งหลอนเกือบจะมีรัา ผู้ชายในโลกนี้คนไหนบ้างนะที่จะรอดเงื้อมมือหล่อนไปได้ซึ่งถ้าหากว่าหล่อนปราถนาต่อให้เจ้าชายแห่งราชบัลลังก์ทางยุโรปดารานักสู้วัวแห่งสเปนแชมป์นักแข่งรถและดาราภาพยนตร์ชายแห่งอิตาลีหรือฮอลลีวูดรายไหนก็รายนั้นจูบหล่อนตั้งแต่เส้นผมลงไปจรดเล็บเท้าสุดตลอดจะบัญชา แต่ชายไทยหน้าซื่อตาคมผู้มีอาชีพเป็นพรานป่าและอดีตลูกจ้างของส า, ามีผู้ล่วงลับของหล่อนคนนี้เช่นไหนจึงเฉยเมยต่อหล่อนได้ลงคอทั้งทั้งที่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาก็มีธาตุชายทุกกระเบียดนิ้วซ้ำดูจะดุดันร้อนแรงหน่าระทึกสวงซะด้วยไม่ใช่อย่างเจ้าสางตาผู้ทุกพลภาพของหล่อนซักกันหน่อยบันีแม่สาวเลือดผสมผู้แรงร้อน นั่งพินิษดูเขาเงียบๆในเงามืดความวิตกกังวลทั้งมวลห่างไกลออกไปหมดไม่ว่าบันท่านพรึงต่อสถานการณ์ใดๆอีกแล้วทั้งสิ้นไม่ว่านารกบาดาลหรือสวรรค์ไม่ว่าจะหายใจอยู่ในนาทีนี้และจะนอนแข็งทื่อเย็นชืดไปในนาทีข้างหน้าธรรมชาตินิสัยของหล่อนเป็นเช่นนี้เองชีวิตเป็นสิ่งไม่มีความหมายอะไรนักสำหรับหล่อน มันกล้ามชาชินไปเสมุดแล้วจะทำยังไงกันต่อไปนี่ในที่สุดหล่อนถามขึ้นถ้าพวกเขาไม่ตายเขาก็คงจะย้อนกลับมาค้นหาเราเท่าเท่ากับที่ท่าเราหาทางออกไปจากไต้ท่านมีได้เราก็จะตามค้นหารัศมีการหลงพ ร, ระจังหวังเขากับเราห่างกันไม่มากนะักยังมากที่สุดก็คงไม่เกินสี่กิโลเมตร ไม่ว่าพวกนั้นจะหนีกระเจิดกระเจิงออกไปเช่นไรขณะแผ่นดินไหวความจริงถ้าพวกนั้นปลอดภัยเรียบร้อยดีก็่าจจะย้อนกลับมาดูเรายัางบริเวณนี้แล้วไม่ใช่เหรอความสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายเพื่อจะหมดสิ้นไปเมื่อยกยกนี่เองพวกเขาอาจจะยังตั้งตัวไม่ติดก็ได้นะคุณแล้วอย่างหนึง่งภูมิประเทศตลอดจนพื้นดินมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอาจต้องใช้เวลาคลำกันหน่อย กว่าจะย้อนกลับมายังบริเวณที่เราประทะกับไอ้ยักษ์นั่นได้นี่คุณคิดว่าโลกภายนอกตอนนี้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นี่คุณน่าจะคเ น, นได้ดีกว่าผมนะเมเพราะคุณฟื้นขึ้นมาก่อนนะ่ะมาเรียนเหลือบตาขึ้นไปตามผนังถ้าด้านบนซึ่งบัดนี้แทบจะสังเกตไม่เห็นแสงจากเบื้องนอกปรากฏขึ้นอีกเลยก็คั้เต็มทีละ อีกไม่กี่กใจก็จะมืดสนิทฉันกล่ว่าราวๆสักหกโมงเย็นนะจะเป็นการดีมากถ้าเราหาทางออกจากใต้ถ้ำนี่ได้ภายในคืนนี้คุณพร้อมหรื อ, อยังเมขณะที่พูดเขาส่งมือให้หลอนระพินไทรวันแม้จะกล้าวกระด้างเมินเฉยตลอดหรือใครๆสักเพียงไหนเขาก็อยากเป็นสุภาพบุรุษที่หลอนหลงไหลในบุ ค, คลิกอยู่เสมอ แม่สาวยิ้มในเงามืดส่งมือมาประสานกับมือเขาและบีบแน่นน้ำเสียงเต็มบรด้วยชีวิตชีวาขึ้นแน่นอนมิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันพร้อมเสมอขอบคุณทั้งสองลุกขึ้นยืนเพื่อไปเชิญและคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปด้วยวิญญาณของนักสู้และนักผจญภัยโดยสายเลือดเบาใจไปอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ในภาวะคับขัน ซึ่งจะต้องอาศัยไหวพริบปฏิพานและความเจนฑจัดช่ำชองเช่นนี้ผู้ที่ร่วมอยู่กับเขาคือมารีฮอฟมันนั่นหมายถึงว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีอะไรคอยห่วงหรือคอยเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองหล่อนเลยผิดกับมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริปซึ่งยังอาวุสูน้อยนักในเรื่องเช่นนี้ทั้งคู่โดยไฟฉายซึ่งใช้แสงอย่างจากัดได้ประหยัดที่สุดเริ่มเคลื่อนออกจากที่ เดินลึกเข้าไปตามซอกโพรงถ้ำที่หินแยกแยะออกไปรอบด้านเหล่านั้นพร้อมทั้งช่วยสำรวจตรวจตาเพื่อจะค้นหาทางออกซึ่งรับพินแน่ใจเต็มเปี่ยมว่ามันจะต้องมีอยู่ที่ใดที่หนึ่งซักแห่งโดยหาไม่ยากเกินไปนักสิ่งที่ทั้งสองระวังอยู่ทุกฝีก้าวย่างในขณะนี้ก็คือเหวหรือรอยแยกของพื้นถ้าซึ่งอาจก้าวถล่มล่นลงไปเบื้องล่างโดยไม่ทันรู้ตัวหากเผอ ห, อหรือหลวมตัว ลำไฟฉายแม้จะเป็นแบบที่ใช้แบตเตอรี่ถึงแท่อนมาตรฐานแต่ในความมืดของก้นถ้ำเช่นนี้ลำแสงของมันถูกกดรีลงนิดเดียวพอส่องอะไรเห็นได้รางๆเท่านั้นผิดกับการฉายในความมืดของพื้นผิวโลกภายนอกครั้งหนึ่งพรานใหญ่ล่วงเศษใต้อันเหลืออยู่ดุนสั้นนิดเดียวยาวไม่เกินคืบที่เขาอุตส่าห์ดับเก็บไว้ในย่ามหลังออกมาเจจุดสองแทนไฟฉาย เพราะต้องการประหยัด่านและแสงคบใต้ย่อมจะให้ความสว่างได้ดีกว่าภายในโพรงถ้ำเช่นนี้แต่มาเรียตครุบข้อมือที่งัดไลเตอร์ขึ้นมาเพื่อหมายจะจุดของเขาอย่างรวดเร็วอยา่าไพรวนหล่อนร้องอย่าพยายามใช้เปลวไฟได้เป็นดีที่สุดคุณฉันไม่แน่ใจนักนะว่าอากาศภายในถ้ำนี่จะมีแก๊สที่ไวไฟอะไรปะบนอยู่บ้างเดี๋ยวมันลุกคลอกรอเบิดขึ้นนะ่ะเราก็เสร็จกันอยู่ในนี้เอง พรานใหญ่ชะ ง, งักและชะ ง, งนอย่างไรก็ตามเขามีเหตุผลที่จะต้องฟังเสียงท่วงปรามของมารีอยู่เหมือนกันเพราะกลิ่นไอของแก๊สที่ถูกเผาไหม้ซึ่งปะปนอยู่กับอากาศหายใจอยู่ในขณะ น, นี้มันเตือนให้เฉลียวคิดและอย่างน้อยที่สุดจะชั่วชั่วดีๆในความประพฤติด้านส่วนตัวเช่นไรแต่มารีฮอฟมั่นก็เป็นนักวิชาการที่เชื่อถือได้คนหนึ่งแก๊สกระทบเปลวไฟแล้วระเบิด หรือทำให้ลุกไหม้ขึ้นได้ก็ไม่น่า จ, จะทำให้เราอาศัยหายใจอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นขนาดนี้นะก็คุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราสองคนจะทนหายใจอยู่ในนี้ไปได้นานเท่าไหร่หล่อนพูดยังไม่ทันจบประโยคตัวเองก็ไอสำลักเพราะกลุ่มควันและกลิ่นไอเผาไหม้ของแร่ธาตุบางชนิดระพินก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันยังไม่ทันที่เขาจะตัดสินใจเช่นไรแมมสาวก็รั้งแขนเขา ดึงให้ถอยกลับออกมาจากช่องทางด้านซึ่งคลำกันเข้าไปนั้นย้อนถอยออกมายืนตั้งสติสัมรวมกายอีกครั้งยังบริเวณแยกบากทางทางนั้นไปไม่ได้แน่เลยระพินหล่อนบอกขอบสงสัยว่าทางระเหยของแกจากภูเขาไฟมันจะอยู่ทางด้านนั้นนะมีหวังหายใจไม่ออกสำลักตายแน่มันมีทางพุ่งระเหยขึ้นมาจากใต้ดินบริเวณถ้ำนี่ ระพินกัดติมฝีปากแน่นแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกเขาอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเห็นมีควันขาวมัวระเหยออกมาเบาบางที่สุดเดินงมต่อไปโดยสกิดเพื่อนสกิปเตือนให้เพื่อนผู้ร่วมสถานการณ์ตามมาด้วยอากาศหายใจที่ค้นหนักและขาดออกซิเจนเริ่มโปร่งคล่องขึ้นต่างค่อยๆเลาะลัดคลำทางกันไปอย่างระวังตัวแจในขนทางอันแสงจะมืดมิด ซึ่งไม่สามารถจะใช้สิ่งใดเป็นเครื่องสังเกตได้เลยนอกจากไฟฉายดวงริบรีเป็นจุดแดงที่ส่องตรวจ ด, ดูเป็นระยะไปเท่านั้นผนังรอบด้านจะหนาทึบแน่นตันซักเพียงไหนมีรอยแตกเ้าพอให้อากาศเบื้องนอกถ่ายเทเข้ามาได้หรือไม่บัดนี้ไม่สามารถจะบอกได้เลยเพราะถ้าคำนวณตามระยะเวลาโลกภายนอกย่อมจะมืดสนิทลงแล้วต่อให้มีช่องทางรอยแยกอยู่บ้างก็ย่อมจะมองไม่เห็นซะแล้ว เวลาล่วงผ่านไปผ่านไปตามลําดับและยิ่งเนิ่นนานออกไปเพียงไรความหวังที่จะค้นหาทางทะลุออกจากใต้ภูเขาไปสู่โลกเบื้องนอกก็ห่างไกลออกไปทุกทีแต่ถึงเช่นนั้นคนทั้งสองก็ไม่ละความพยายามยังคงซอกซอนค้นหาทางต่อไปอย่างบากบันมานะจุดกระทั่งสองชั่วโมงเต็มๆในขนทางอันเลี้ยวลดวกไปเวียนมา ราวกับเขาวงกฏไม่มีที่สิ้นสุดนั้นโดยไม่อาจคํานวณได้ถูกว่าบัดนี้ได้ล่วงล้ําเข้ามาสู่บริเวณใดของก้นถ้ำและห่างจากจุดเริ่มต้นที่ปากถ้ำซักเพียงใดขนทางเหล่านั้นบางขนาะก็นําไปสู่ผนังตันทึบจนต้องย้อนถอยหลังกลับและบางขนาะก็ต้องก้มคลานมุดผ่านกันเข้าไปเพราะขนทางตันบีบแคบจํากัดมีช่องให้ลอดได้เฉพาะตัวคือ ระพินใช้หลักในการเดินอย่างเดียวเท่านั้นคือจะเดินเข้าสู่ทิศทางที่รู้สึกว่าจะมีอากาศสดจากเบื้องนอกระบายผ่านเข้ามาได้และจะเปลี่ยนเส้นทางถอยกลับทันทีเมื่อรู้สึกว่าอากาศขาดออกซิเจนหรือมีควันทำให้หายใจไม่สะดวกต่างอิกโรยอ่อนเปรียกันไปทุกทีเมื่อโผล่จากช่องทางหนึง่งออกมาสู่บริเวณเบื้งกว้างเหมือนจะเป็นห้องถงมีานาบริเวณขนาดห้องประชุมเล็ก จะส่องไปทางด้านไหนก็เลยเห็นแก่งโขดหินสีดำเป็นเงาตะคุ่ม ส, สูงสูงต่ำต่ำเรียงรายอยู่ทั่วไปราวกับภาพเงาปีศาจที่เฝ้าแลดูมนุษย์ทั้งสองชีวิตอยู่อย่างเย่ะหยันเอเห็นท่าไม่ได้การนะพรานใหญ่เปลยขึ้นเบาๆภายหลังจากเดินกันมาในความเงียบอันปราศจากผลนั้นนานนับชั่วโมงเขายกแขนขึ้นปาดเหงือ่อ อันชุ่มโชคใบหน้าเราเดินงมกันอยู่ในความมืดตามคําอุทาหรณ์ที่เขาเปรียบเทียบกันแ ท, ท้ๆทีเดียวไม่มีที่สังเกตอะไรสักอย่างไฟฉายนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นักขืนงมต่อไปตลอดทั้งคืนนี่ก็คงเหนื่อยเสียเวลาเปล่าอะฉันไม่อยากจะบอกคุณเองนะว่าฉันหมดแรงหมดกําลังใจเห็นคุณยังเพียนที่จะเดินหาทางออกให้ได้ฉันก็เข็งใจเดินตามคุณมายัางนั้นแหละ เดินไปจนกว่าจะล้มลงไปเองนั่นแหละเสียงมาเรียบอกมาหยันอิดโรยแล้วเซไปนั่งพิงแงหินใกล้ๆยกมือขึ้นเสรยผมรพินหย่อนกายลงข้างๆจับฝ่ามือของหล่อนไว้เริ่มรู้สึกสงสารมาเรียฮอฟมันมาเรียฮอฟมันอาจมีเสน่ห์ในตัวเองสำหรับเขาอยู่เพียงเรื่องแค่นี้เองขึ้นในความทุกข์ยากลาเคนสักขนาดไหนหลอนไม่เคยปริปากบน่น ร, ร้องอุทธรหรือแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลยหลันทรหดบึกบึนซะยิ่งกว่าอกสามศอกบางคนซะอีกสมแล้วละ่ะที่มีเชื้อสายลูกพรานใหญ่แห่งแอฟริกาและเคยผ่านะจนธ์กับชีวิตต่อสู้ผ่าผลมาอย่างโชคโชนถ้างั้นเราจะพักนอนเอาแรงก่อนแล้วกันคืนนี้เห็นจะทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะรอจนกว่าตะวันขึ้นพรุ่งนี้บางทีจะช่วยให้เราเห็นแสงส่องลอดเข้ามา พอสังเกตลูกทางได้บ้างสุดแล้วแต่คุณกระพินคุณเดินฉันเดินคุณหยุดฉันหยุดไม่ต้องกังวลอะไรกับฉันหรอกถึงยังไงฉันก็ไม่ใช่ไขในหินที่คุณจะต้องเป็นภาระกังวลคอยประครับประคองอยู่ให้เสียเวลาหรอกประโยคท้ายของคำพูดนั้นแม้จะเป็นไปอย่างปกติธรรมดาที่สุดแต่ความหมายของถ้อยคำเขาก็ย่อมจะฟังออกว่า มันเป็นการตัดพ่ออย่างน้อยใจจอมพลันยิ้มอย่างเห็นใจแต่ลอนคงมองไม่เห็นเพราะความมืดเป็นม่านอำพรางสีหน้าของกันและกันอยู่มันอาจรู้สึกถึงความอ่อนโยนเอาใจได้บ้างก็แต่เฉพาะสัมผัสจากอุ้ง ม, มือที่เอื้อมมาลูกที่หลังเท่านั้นหิวไหมเมร่างนั้นยักไ์ใหญ่ฉันเคยอดอาหารมาแล้วสามวันเต็มๆไม่มีอะไรตกถึงทองเลยนะ กระทำทุกกรกิริยาประท้วงสามีคุณด้วยเรื่องอันใดกระมังเขาเบนออกไปให้เป็นเรื่องขันแล้วคนอย่างฉันะถ้าจะมีอะไรประท้วงสามีแล้วก็จะใช้วิธีเปนอนกับผู้ชายอื่นคงไม่ใช้วิธีอดอาหารให้โง่หรอกน่ากลัวนี่คุณเคยทําอย่างนั้นเหรอก็ไม่บ่อยนักหรอกยกเว้นแต่เวลาจําเป็นจริงๆแล้วได้อะไรขึ้นบ้างในการทําอย่างนั้น ก็ความพอใจไงสาใจของฉันแล้วก็ความไม่พอใจความคลุ้มคลั่งของเขาไงดพินไัยวันหายใจยาวก็น่าขอบคุณสวรรค์ที่คุณกับดรฮอมันอยู่ร่วมกันด้วยดีมาได้จนกระทั่งเขาเป็นฝ่ายตายจากคุณไปเองโดยที่เขาไม่ฆ่าคุณซะก่อนน่ะก็ถ้าเป็นคุณคุณคงจะฆ่าฉันใช่ไหม ก็ไม่แน่นักเหมือนกันบางทีบางทีอาจขอร้องคุณเพียงว่าจะไม่นอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้ทั้งสิ้นแต่ขอให้ผมได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นในสถานที่นั้นด้วยเท่านั้นมาเรียหัวเราะออกมาอย่างจริงใจได้เป็นครั้งแรกผลักไหลเขาเบาๆไพวันในยามปกติธรรมดาแล้วน่ะคุณเป็นคนซีเรียสน่ากลัวแต่นิยามคับขันชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ปุย คุณกลับเป็นคนอ่อนโยนน่ารักและเต็มไปด้วยกลวิธีปลุกปลอบใจบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณที่สุดทำไมฉันจะไม่รู้ว่าคุณหาเรื่องให้ฉันเพลินใจเลิกคิดถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาซะฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดเล่นกับฉันในลักษณะอย่างนี้มาก่อนคุณเป็นคนจริงไหมผมเองก็เป็นคนจริงเหมือนกันเมื่อคุณพูดกับผมอย่างตรงไปตรงมา ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอ้อมค้อมฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณพูดตะกี้นี้เดยสมมติว่าคุณเป็นสเตเก้ถ้าฉันใช้วิธีประชดคุณโดยการไปนอนกับผู้ชายอื่นคุณก็คงทําไมนั่งร้องสือกสือื่นเหมือนสามีคุณอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้ได้เหมือนกันนะแต่ที่เชื่อแน่ๆก็คือ คุณจะต้องฉีกฉันออกเป็นชิ้นๆทีเดียวจริงไหมอย่างเช่นที่คุณชยันพยายามกระทำกับคุณงั้นเหรอฉันพอจะรู้อารมณ์ของผู้ชายทางภาค พ, พื้นเอเชียดีอยู่หรอกตัวของเขาเองเจ้าชู้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ใช่พัญญาของตัวเองได้แต่ถ้าฝ่ายพัญญาจะกระทำเช่นนั้นบ้างเขาจะต้องถือเป็นอุกฤษฎโทษชนิดที่ให้อภัยกันไม่ได้ทีเดียวเป็นความใจแคบรู้มาก แล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุดคุณเองก็จะต้องตกอยู่ในข่ายนี้ด้วยเช่นกันขอบใจมากนะดะพินที่ชวนชั้นคุยในปัญหาหน้าสนใจเสจนชั้นลืมว่าตัวฉั้นเองถูกเข้ามาติดขังอยู่ในถ้ำใต้บาดาลซึ่งประตูตายเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตแต่ฉันก็ยังดีใจที่ก่อนจะตายฉันก็เพิ่งเห็นอารมณ์ขันคุยสนุกจากคุณเป็นครั้งแรกเดี๋ยวนี้ฉันไม่สงสัยแล้วลว่า ทำไมใครคนหนึ่งเขาถึงให้ความสนใจกับคุณมากที่สุดแม้เขาจะพยายามปกปิดซ่อนเร้นยังไงฉันก็รู้ได้คุณมีอะไรที่น่าทึ่งอยู่ในตัวหลายๆอย่างมองผาดผาดก็อาจไม่พบหรอกต้องมองให้ลึกถึงจะเห็นแต่ฉันเห็นมาก่อนเขาซะอีกเพียงแต่ว่าในระหว่างชั้นกับเขานะฉันเป็นก้อนดินหรือเศษวัชพืชอันหาค่าไม่ได้ส่วนเขาคือเพชรน้ำเอก ในข้อวินิจฉัยของคุณจะโกรธชนะที่พูดอย่างเนี้ยเราต่างก็จเจริญในด้านจิตใจเทียมกันละพูดกันตรงๆดีกว่าแล้วคุณก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าคุณชอบคนพูดตรงผมไม่โกรธคุณอกเมแต่ถ้าเราผ่านปัญหานี้ไปซะได้ก็จะดีนะเขาบอกเนิบเหนื่อยแล้วตัด บ, บทเปลี่ยนเรื่องมา ท, ทันทีว่า ผมรู้สึกว่าจะมีแอ่งหรือทางน้ําไหลอยู่ไหม่ห่างเราตรงหน้านี่เองเข้าไปดูกันดีกว่าถ้าเป็นน้ําที่พออาศัยดื่มได้เราจะดื่มให้เต็มอิ่มแล้วหลับกันซะสักพักตื่นขึ้นมาค่อยเข้าสู่ปัญหากันใหม่ผมเองก็ไม่ดีกว่าคุณหรนนอกตอนนี้ก็แทบไม่มีแรงเคลื่อนไหวอยู่แล้วก่าวจบสุภาพบุรุษไทยก็ฉุดแขนแม่สาวผมทองให้เดินตามเขาผ่านโขดหินที่งอกขวางระเกะระกะ อยู่กลางบริเวณเวิร์กกว้างลักษณะเกือบจะเป็นวงกลมนั้นใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นแล้วก็จริงอย่างที่เขาคาเนหรือมิฉะนั้นก็หมายหูไว้ก่อนแล้วเสียงแผ่วเบาที่ดังอยู่ริกริกในขณะนี้คือทางน้าเล็กๆที่ไหลซาะหินเป็นแนวคดเคี้ยวจากผนังด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งแล้วหายเข้าไปในซอกอันสลับซับซ้อนนั้นอย่างเดาไม่ถูก ว่าต้นมาจากไหนและไปสุดปลายที่ไหนส่วนที่ลึกที่สุดนั้นมีระดับเพียงแค่คืบเดียวแนวกว้างประมาณครึ่งเมตรทั้งสองสุดตัวลงโดยเร็วกอบสายน้ำขึ้นมาในฝ่ามือแล้วยกขึ้นดมสัมผัสได้กับความอุ่นที่ค่อนข้างจะร้อนและมีกลิ่นกรรมฐานจางๆตะบนมาด้วยเมื่อแตะกับลิ้นรู้สึกได้ในรสจืดสนิท ไม่มีอะไรแปลกปลอมจนหน้าระแวงจึงก้มลงดื่มกันจนเต็มอิ่มแล้วก็เลือกได้พื้นที่ราบเรียบตอนหนึง่งในระหว่างช่องขนาดของโคดขิงใหญ่สองลูกห่างออกไปจากแนวน้ำไหลเพียงวาเศษเป็นที่เอ็นกายพักนอนอย่างอ่อนโยอ่อนระหยโรยแรงแทบจะกระดิกกระเดียไม่ไหวต่างคนต่างชายย่ามหลังหนุนศีรษะนอนเคียงกันแบบเรียงสองโดยมีไหลแนบชิด ลืมตาพลุ่หมือมองฝ่าความมืดอย่างปราศจากที่หมายขึ้นไปด้านบนช่วชะตาหรือนีฉะนั้นเหตุการณ์มันก็ช่างผันผวนเล่นตลกสิ้นดีดูเถอะเมื่อก่อนหน้านี้สาสี่ชั่วโมงมีปัญหาสำคัญที่สุดของคณะคือการสแสวงหาแหล่งน้ำเพราะทุกคนหิวกระหายกันแทบจะไม่มีแรงเดินต่อไปและมาหันตะัยร้แรงก็จู่โจมแทรกซ้อนขึ้นมา เรื่องน้ำก็พลันชะงักอยู่เพียงนั้นเพราะต้องดิ้นรนหลีกหนีภัยเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเอาชีวิตรอดไว้ก่อนมาบัดนี้น้ำที่ทุกคนต้องการมีอยู่อย่างเหลือเฟือตรงหน้ารพินกลับมาเรียนี่แล้วแต่เป็นการพบในขณะที่ต่างก็เข้ามาตกดขังอย่างไม่รู้อนาคตภายในก้นถ้าในขณะที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ร่วมคณะอื่นๆบัดนี้เป็นตายรายดีอยู่ที่ไหน อุหภูมิตรงตำแหน่งที่พักนอนกันอยู่นี้กำลังอบอุ่นสบายอย่างที่สุดผิดไปกับสภาพอันหนาวเย็นแทบแข็งตายของภูมิประเทศแถบนี้ไปเป็นตรงข้ามกับที่ได้พบกันมาแล้วทุกคืนรากกับอยู่ในห้องทำไออุ่นของดินแดนที่เบื้องนอกแสงจะเยือกเย็นอากาศที่หายใจประทังชีพกันอยู่ก็ดูจะมีการระบายถ่ยเทได้เป็นอย่างดีไม่อับทึบหรือขาดออกซิเจนจนเกินไป ถ้าไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้าสะอย่างเดียวสถานที่นี้ย่อมเป็นแหล่งที่สบายที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราจะออกไปจากใต้ถ้ำกันนี้เมดาพินกล่าวขึ้นลอยๆเหมือนจะพูดกับตัวเองลืมตาค้างมองความมืด อ, อยู่เช่นนั้นมีอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจมากถึงเพียงนั้นล่ะมาเรียยังไม่หลับและคงได้ยินเสียงพึมพำของเขาอย่างชัดเจนมีที่เมย์ ผมได้กลิ่นไอาอากาศบริสุทธิ์จากโลกภายนอกสแสดงว่ามีช่องทางระบายอากาศที่โปร่งโล่งพอสมควรทีเดียวและอยู่ไม่ห่างจากเราเท่าไหร่นักด้วยบางทีอาจจะอยู่เหนือศีสากขึ้นไปนี่เองเรอให้ตะวันขึ้นแล้วเราจะเห็นถ้าตรงที่เราอยู่ในขณะ น, นี้ใกล้กับผิวอากาศเบื้องนอกมากที่สุดอย่างที่คุณว่าล้วก็น่าจะได้ยินเสียงปืนซึ่งยิงเรียกจากพวกนั้นบ้าง ในกรณีที่พวกเขายอมกลับมาค้นหาเราแต่นี่ไม่มีวีแววอะไรเลยขณะนี้เนี่ยฉันได้ยินอยู่สามอย่างเท่านั้นเสียงสายน้ำเล็กๆนั่นไหลเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วก็เสียงของความคิดตัวเองในสมอ ง, งความคิดมีเสียงที่ทาให้ได้ยินด้วยเหรอเมมีสิถ้าหาใครสักคนหนึ่งอยู่ในท่ามกลางความเงียบที่สุดของความเงียบ มันเป็นซาวออฟไซเลนยังไงล่ะพนันกันก็ได้แม้แต่ความคิดของคุณเนี่ยฉันก็ยังได้ยินหลักแล้วเถอะแล้วคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเมื่อตื่นขึ้นสมองโปรง่งแจ่มใสกว่านี้มีกำลังวังชาดีกว่านี้เราจะมองเห็นลูกทางได้เองคุณไม่รังเกียตที่จะนอนใกล้ๆฉันหรอกเหรอกลืนอัดกลับลุ่มมากไหม ทบังเอิญต้องมาร่วมชะตากรรมอยู่กับฉันเพียงสองต่อสองเช่นนี้สี่จะประชดประชันผมไปถึงไหนเมสมมติวพวกเราทั้งหมดได้รอดชีวิตพบหน้ากันอีกครั้งคุณคงเข้าหน้าใครคนหนึ่งไม่ได้สินะในการที่เขารู้ว่าคุณผ่านคืนนี้กับฉันในสภาพสองต่อสองฉันเป็นทุกแทนคุณจริงๆแล้วก็เห็นใจมากแต่ก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหรอกนะ ละพินไพรวันหน้าร้อนเผาน้ำเสียงนั้นทั้งยั่วทั้งเยาะและแดกดันแต่ลึกลงไปกว่านั้นมันถูกลันออกมาจากความขมขื่นผิดหวังของผู้พูดเองซึ่งเขาก็เข้าใจและโกรธไม่ลง